Buddham sariram g a c c h a Buddham s a r a m g a c c h a Buddham a r i r a g a c h a d h a m m a s a r a m g a c c h a d h a m m a a r i a แัะก็ขออมานาถับพวกเราเตั้งใจในการที่จะสดับพระปัจุ พระธรรมของพระผู้มีพระภาคแต่ในครั้งนี้จะบรรยายในลักษณะการสนทนาพระธรรมนั้นทนะามที่ปรารกที่โยงก่การป้าเราจะหยิบเอาพระสูตรแต่ละสูตรต่างๆเนทะ่าที่โพอจำได้บ้างแล้วก็ดูดูจากในครรมทีมัชฌิมานิกายเป็นหลักนะทางแต่มูลปันนา มัชฌิมปันณาอุปริปัณ น, นาเน่ยทีนี้ในหลักการศึกษาดีก็เมื่อวานี้ไปดูหนังสือที่ท่านโูการ ส, ส่งไปเออไปหยิยบในสูตรสูตรในกีตาคีริสูตรในมัชฌิมานิกายนะก็พอจำจาได้ คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าการตั้งอยู่ในอร h a t ผล p เนี่ยย่อมมีได้โดยการศึกษาโดยลําดับและเขาด้วยการกระทําโดยลําดับด้วยการปฏิบัติตามลําดับจะเป็นการจะสึกการจะบรรลุอรหั t ผล p u n แปลว่าจุดสูงสุดในศาสนาก็แปลว่าต้องมีการศึกษาโดยลํำดับมีการกระทําและก็มีการปฏิบัติโดยลํำดับท่านก็กล่าวในที่นั้นไว้บอกว่า กุลบุตรในพระธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วก็ย่อมฟังพระธรรมเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็ย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ฟังแล้วทรงจาเมื่อทรงจำธรรมนั้นแล้วก็ย่อมพิจารณาเนื้อความข่งพระธรรมที่ได้ทรงจานั้นแล้ว เมื่อพิจารณาเนื้อความเห่งพระธรรมนั่นแล้วทำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสมบปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพระละโพชงมากเป็นต้นทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมจะทนต่อความเพ่งพินิจเมื่อทำทั้งหลายทนต่อความเพ่งพินิจอยู่ฉันทะาก็ย่อมเกิดเมื่อฉันท่าเกิดแล้วความอุสาหะก็เกิด เมื่ออุตสาหเกิดแล้วก็ย่อมไตรตรองชันท้าเนี่ยเป็นชื่อของชันทายทิพยดีที่ในกุศลเนี่ยไม่ใช่ฉันท้าที่ในโลภเพราะฉันท้าในโลภในโทสะก็ได้ก็เป็นทิพยดีได้อุตสาหะก็ดีความเพียรเป็นที่เป็นเบื้องต้นของความเพียรเป็นต้นย่อมไตร่ตรองเนี่ยเมื่อไตรตรองแล้วก็ย่อมตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็ย่อมทำให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะ และเห็นแจ้งแจ่มแจ้งซึ่งบรมสัจจคือพระิพานนั้นด้วยปัญญาทีนี้ถ้าศรัทธาก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้ก็ดีการนั่งใกล้แล้วก็ดีการเมียโสดลงก็ดีการฟังธรรมก็ดีการทรงจำพระธรรมก็ดีการพิจารณาเนื้อความของธรรมธรรมมันทนต่อความเพ่งพินิจก็ดีฉันทักก็ดีอุตสาหก็ดีการไตรตรองก็ดีการตั้งความเพียรไว้ก็ดี นั้นๆไม่ได้มีแล้วคือถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยเธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดพลาดออกนอกทางเขาผิดพลาดเมื่อปฏิบัติผิดพลาดความหวังหรือย่อมเป็นผู้ห่างไกลจากพระธรรมวินัยนี้แเพราะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็คือว่าห่างไกลจากอะไรห่างไกลต่อการที่จะเป็นพระโสดาบาัน ห่างไกลต่อการที่จะเป็นภระสะกาทาคาห่างไกลจากการที่จะเป็นผ้านาคาแล้วก็ผ้าละหันไม่ต้องพูดอันนี้คือถามว่าเป็นประเด็นสําคัญที่เป็นประเด็นสําคัญก็ในในปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักที่เราจะต้องเอาสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้มาร่ครวนแล้วก็พิจารณาว่าถ้าทำคําสอนที่มันผ่านความเข้าใจของเราผ่านโสตประสาทของเราของเรามาทําทวารหนูนเป็นจ้นอหล่นี้ เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถามว่าเอออะไรจะเป็นเครื่องวัดใช่ไหมสิ่งที่ควรจะวัดก็คือพราทําคําสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้โดยมากก็จะต้องอ้างกันนี้ซึ่งก็เป็นยุคที่อ้างพราทําคําสอนของพุทธเจ้าที่เครื่องูดีก็นับวันดีเรื่องสิ่งที่เออบ่งบอกว่าคนเริ่มจะเอออ้างมากขึ้นมากขึ้นในยุคก่อนเนี่ยโดยมากเขาเขาจะไม่แข็งทื่อในยุคก่อนก่อนนัยนเขาบอกว่าถ้าใครอ้างเขาเรียกว่าติดตํำรา โอ้ยติดตำราไม่หนแล้วก็มันมีอยู่คำสอนในการามาสูรใช่ไหในการามาสูนที่ก็จะบอกไว้บอกว่าอย่าเชื่อมนเป็นแปกลกระไรความนั้นบางคนบอกอย่าเชื่อเลยอาะตำราบางแห่งก็ตายมามาก็สมัยก่อนนู่นนานนะเจอตอนนั้นสมัยที่ทําเจ้าคุณทั้งอีโดแครับ อ้างอ้างชื่อท่านแต่ไม่กลอนท่านไปแล้วเขามีคนถามท่านถึงอะไมาเขานั่งนั่งของกองท่านก็บอกว่าท่านไปทําอำเนี่ยเอ่อคำโฆษณาโน้มกลมฉบับพมวลทำโมเมนต์ศัพท์อะไรท่านก็ยกพวกนี้ขึ้นมาท่านใช้คําว่าอย่าเชื่อท่านบอกยังไม่ไม่ไม่ไม่ชอบใจคำแกลนี้เท่าไหร่ต่อมาท่านก็บอกแก้เป็นว่าท่านบอกท่านคิดคิดอยู่หลายปีแล้ว ท่านใช้คำว่ า, ายอยอ่เอยอ่าเพิ่งฟงใจเชื่อบอะเรานมิคอยช่วยแล้วบอกแต่เรายังไม่พอใจได้ท่านว่าคือไปแปลกันไปแปลกันมาก็มีนักวิชาการก็ก็ไปอ้างตรงนี้อะที่บอกว่ามารายาหลานหนึ่งก็มีนักวิชาการเข้ามาโจมตีว่าประเทศไทยที่ล่าหวังเนี่ยาาหรือล่าช้าในการพัฒนาการศึกษาที่ไม่เจริญรุ่งเรือง เ, เป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย เคยถือแบบอย่างเทระวาดแบบไทยย่งเลยทีนักวิชาการา็ัฐมนตรีเขาก็เทระวาดแบบไทยในความหมายของเขาก็คือว่าออระบบท่องจำระบบ ท, ท่องจำก็เลยโจมตีเพราท่องจำกเลยเป็นเหตุทาให้คนคิดไม่เป็นที่จริงที่จริงท่านก็เลยติงว่าจริงๆไม่เข้าใจคำปเิรัฐว่า คือคนพูดไม่เข้าใจว่าเทราวาคือถ้าพูดถึงเทราวาแล้วยาวเลยโยยาวเตั้งแต่เรื่องการบันทบประสังขยานาเลยมาบร็นใหญ่เลยต้องเป็นเรื่องยาวแล้วยิ่ไม่ไปไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าไปดูนะแต่ก็คือต้องการชี้เห็นว่าจริงๆว่าการอ้างธํามราการอ้างโมกุเทชานะ่ดีสําคัญไม่ห้างกันหรือ อ้างแล้วก็ไม่ยอมออกมาทั้งหมดไอ้เงเ้เป็นประเด็นด้วยกันเล่นอ้างกลางๆแล้วเราไอ้บอกนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นมาไม่รู้เอะไรยัดใส่เขาอดพระเจ้าเขาเเป็เขาใจไมเขานดืยดรุ่งเลยตอนนี้กลยมาเป็นประเด็นทีนี้เนี้ในการที่ศึกษาก็ทมของเราท่านทั้งหลายก็คืออาจาร์มาก็จะมนุึกษาเปนเองตลอดทันที่ได้ครับว่า งั้ท่านพาโนนท่านก็ยังปร่งหรือท่านก็ยังต้องถอนตัวเองออกว่าท่านไม่ใช่ทรัพย์ทั้งยูนะใช่ไหมท่านเป็นพระรหันนะแต่ชา้อภินญาอยู่นะทั้งปริสัมพิทายาสรุปแล้วก็คือว่าพระธรรมที่ท่านฟังจากพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสองพันพระธรรมอาการจากสองพันพระธรรมอาการท่านฟัง่างทิศอื่นมีภาษาริบเป็นต้นสรุปว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมอาการนี่ท่านว่อยู่ในความรู้สึกของท่านได้หรือจะกระตกหลิ้นเมื่อไรก็ออกเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เล ท่านแทงตลอดอาาัตถะธรรมะมิรุติแล้วก็ปฏิภาณนะปฏิสัพพิธาใช่ไหมใช่ขนาดนั้นท่านยังต้องบอกว่าท่านไม่ใช่สักดิ์โยนะดังนั้นมายุคในปัจจุบันเนี่ยเราต้องสงวรตัวนี้มากนะเวลาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าถ้าจะอุปมา ก, ก็เหมือนอะไรนะี้คงจะเอาคล้ายๆว่าเส้นยาคาเนี้ดยังงเนี่ยจะไปอย่งควนะามลึกของหมหาสมุทรใช่ไห ม, มจะไปหย่งความลึกของหมหาสมุทร เราจะไปดูปัญหาใช้คำ ร, รู้ตั่วถึงธรรมของพระเจ้านีไหมใครเลยจะรู้อัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาสะกิดกันว่าเออเนี่ยการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างในที่นี้ที่ว่าเราจะมามาพูดแต่งแบบโอเคคิดเล่นๆ เ, เ, เนี่ยเพราะเป็นก็เหมือนว่าเหมือนกขาบอกว่าเออปฏิบัติไปปฏิบัติกันมาเหมือนง่ายมาก เหมือนความรู้สึกของอขาจมาเมื่อส ม, มัยเมื่อ20ปีที่แล้วคิดว่าการเข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากไม่ยากอะไรเลยอย่างเราเร า, าเนี่ยประเภทที่แม้ถ้าเราจะเพียนสักหน่อยเรื่องการเป็นโลกไม่น่าจะยากสําหรับเราเลยคิดอย่างประเภทไหนเหมือนกะละก้ า, กาเลยนะกบเนี่ยอยู่ในกะล า, าคิดว่าในโลกใบนี้มันแค่แค่แค่นี้แล้วโดดไม่ถึงไหนก็โดนโดดพ้่มก็ถึงฝั่งนั้นฝั่งนี้ แต่พอมาศึกษาเขาจริงๆมาเรียนรู้เขาจริงๆไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยพระคิดแบบเราเราแล้วมันถึงมามันถึงสองพันกวปีใช่ไหมก็อย่าอย่าไปคิดอะไรมากทีนี้ถ้าหากว่าถ้าหาว่าการตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพภาคเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากการบังเพ็นบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเสียสงขัยยิ่งโดยแสนกลับอันนี้นับนับที่ในพุทธับพุทธพิธีกรรมเนี้ ย, ยไม่ต้องนับทีว่าเจ็ดเอ้ยเก้าเอ้ยรวมเป็นยี่สิบสงขยัยด้วยนับ ถ้าเราจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นการตอบรู้หรือบรรลุแบบง่ายๆประเภทที่ว่าเอาเห็นสักว่าเห็นแล้ว ร, รู้เลยทันทีสมมุติเนี่ยนะถ้าอย่างนี้มันกโ็โอ้เป็นเรื่องไม่อัศจรรย์เลยเอาโอ้พุทโธเอาโอ้ธรมโวเอาโ อ, โอสังโฆบรรลุไปอยู่ตรงไหนเลยใช่ไหมว่าพระอาจารย์น่าอัศจรรย์จริงว่าทำผสมขึ้นหน้าอัศจรรย์ฉันั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่ง่ายแต่ถึงบอกไม่ง่ายอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้อง เชียงพยานก็ยังเคยปรารภตโยมหลายๆลายท่านนะบอกว่ า, าตอนที่พระบรมศาสดาได้ตัดสรูรนุตละสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ได้แผ่ขายพยานใช่ไหมพเพื่อจะตรวจดูกระแสของขันของสัตว์ทั้งหลาทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทั้งในอนาคตรสรุปแล้วก็คือกระแสขันของพวกเราเนี่ยพระองค์นั้นได้ตรวจได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าเออเนี่ยจะพอที่จะมีอริยคุณเข้าอยู่สู่กระแสขันของ ของเราเราได้หรือไม่ท่านก็ตรวจมาไม่รู้กี่ร้อยรอบกี่พันรอบใช่ไหมเมื่อตรวจดูแล้วไม่เห็นนะใช่ไหมไม่เห็นแล้วขนาดตรวจผ่านไปขนาดลองคิดแค่นี้ว่าสัจกาสนิครนี่นยนะที่พระเจ้าแสดงในสัจกาสูตรก็ดีม า, าสัจกาสูตรกด็ดีพรพองค์แสดงให้ให้ให้ฟังนั้นเพราะพระเจ้ารู้ว่าอีกสองร้อยกว่าปีข้างหน้าท่านคนนี้จะได้แทงตลอดอริยสัจพระองค์ก็แสดงใช่ไหม ย่งกระแสขันก็พวกเราเนี่ยเชื่อว่าพระองค์ก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็บอกว่ า, 2000วามีสองพันกระี้เด็กเด็กมนต์ ห, หน้ามีฟังคำนี้มีคํานึงใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าบอกเกี่บท่านพายะพาลุจเรียะลองดูก่อนทิกส่ทั้งหลายพายะพาลุจริยะไม่ทำไม่แต่ถามเพื่อลบากใช่ไหมไม่ทามํทาให้ลําบากเลยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าท่านพายะพาลุจริยะฟังคัดถาไม่กี่บาทคาถามก็ได้เ หรืออย่างที่ท่านภาษาริบุตบางธําเนี่ยจากท่านพระอุปติสสะท่านภาษาราบุตรเป็นคนมีปัญญามากใช่ไหมท่านบำเพ็ญบารมีเป็นสาวกบารมียามเป็นอัครสาวกเบื้องกวาเพราะท่านเห็นผ้าสติ๊กเดินในท่านพิจารณาเห็นหท่านใข้ควรเนี่ยเพราะผ้าสชิเนี่ยท่านอยู่ในท่านจะเดินไปทํากิจอะไรท่านมีอะไรเขาเรียกสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ในการก้าวไปในการถอยกลับ ในการแลในการเหลวในการพูดเข้าเหยียดออกใช่ไหมในการทรงภาพสังคติบาตรและจีวรในการยืนในการกินการดื่มการเคี่ยวการลิ้มใช่ไหมการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลาการตื่นการพูดการนิ่งเนี่ยสติสัมปชัญญะของท่านเป็นไปในฐานะเจ็บท่านก็สังเกตดูโอ้เนี่ยถ้าเราปล่าถนาพระทิพย์พาเดินหลังเดินตามหลังพิสูรรูปนี้หน้าจะมีจีวรดีไหมเราสังเกตเห็นพระเดินแล้วเราคิดมุมนี้ได้บ้าง อันนี้บงบอกเลยใช่ไหมว่าว่าเออมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่านดูจากจิตตชรูปที่แสดงออกมาทางกรัชกายพวกเนี่ยทั้งอย่างลงสู่กระแสใจคือคํานวณได้คิดได้ว่าท่านคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยในการเดินน่ามีสติสมัมปชัญญะถึงป่านนี้จะต้องมีอริยคุณในใจเนี่ยท่านเดินตามไปและในที่สุจริงๆก็ได้โอกาสเปิเสร็จท่านก็เข้าไปถามพอเข้าไปถามท่านพระอาจาชี้ก็บอกว่าเรายังเป็นผู้ใหม่ในพระธรรมวินัยเนี่ย มันเป็นพู้ใหม่ไม่สามารถที่จะตอบเึ็นข้าวว้างหวังเป็นต้นได้เพราะคุณไหนเลยจะรู้อัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคซึ่งมีอัธยาศัยหลากหลายมากใช่ไหมเทศนาก็วิลาศมากท่านก็ออกตนเลยทุกครั้งท่านออกตนไม่ใช่ออ้ถามเรานี่ไม่ผิดหวังนะไม่ใช่นะใช่ไหมขนาดพิฆาตอรหันนะข้าริยานยมามาเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังถ้าไม่ผิดหวังไม่ต้องพระพุทธเจ้า ถ้าใครไปหาพระเจ้านี่จะบอกว่าเออมามาถูกแล้วเพราะจะถามเขาคนบำเป็ญบารมีมาก็เพื่อเนี่ยแก้ปัญหาให้เธอเราไปหาใครมีใครให้ความมั่นใจเราอย่างนั้เราเกี่ยวกพระเจ้าไม่มีนะพอเข้าไปปุ๊บในวันนี้เราเข้าไปพุบโอ้มาถูกคนแล้วมาเนี่ยใช่ไมากแล้วเขไปหาคนที่มีราคาโทรศโมหะอย่างตรงนี้นี่แหละถึงบอกเป็นเรื่องเดือนนี่เพราะท่านพอเขาไปถามพอเข้าไปถามเมืเสร็จท่านก็บอกว่า ออบอกว่าสมณะบอกว่างั้นจะกล่าวมากหรือน้อยอ่ะก็ตามแต่ความสามารถของท่านเถอะไม่ว่าเลยขอให้ท่านกล่าวนถอะแต่ว่าการแทงตลอดร้อยในพันในนั้นเป็นภาร ะ, ะของพระเบญเจ้านเนี่ยนั้นการแทงตลอดร้อยในพันในมป็นภาร ะ, ะของท่านเนี่ยท่านพระอาสชีก็บอกเลยเฮทํามาเฮตุปภะภาวาเจสังเหตุงดาถาคตัว เตยสันจ่าโยนิโรโทจ่าเอวังวาธิม า, าสเหมาโนใช่ไหท่านเห่นี้ท่านบอกว่าพอแล้วแต่ว่ า, า น, นั้นนะอริยผลเกิดขึ้นแล้วท่านโสดาบดิผลเกิดแล้วแล้วพร้อมแทงตลอดด้วยพันในอบอกพอแล้วกูอย่ากล่าวให้มากเลยเพราะอะไรเพราะต้องการไข่ครวนในชะ่ไหมท่านต้องการที่จะไปไข่ครวนโดยสาวก บ, บรมียานว่าการแทงตลอดแบบสาวก บ, บรมียานคืออะไร การแทงตลอดสองสาวกบรมียาเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องสามารถนํากระแสะขันของสาวกทั้งหมดมาไข้ควนได้ปัญญาของท่านเราบอกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าในทั้งหมดนี่นะที่ในยุคนั้นรวมกันทั้งหมดไม่เท่ากับปัญญาของท่านหนึ่งองค์เอาแค่นั้ น, นคิดแค่เี้อันนี้ภาษาลิบุลนะไม่ต้องพูดถึงพพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเราศึกษาพระธรรมหรือจริยาวัดของสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องคิดถึง พระพุทธเจ้าว่าอันนี้ขนาดสาวกยังยังขนาดนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าสาริบุตรเนีจยสแสดงธรรมจักเสมอเพราะว่าเสมอเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เท่าเนอะืยนี่ก็คือหนึ่งประสงขายเนี่ยมาพิจารณาเลยนะเทนั้นควรบุตรในพระธรรมวินัยนี้ถ้าเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้ศรัทธาในที่นั้นคือศรัทธาข้าพพิสรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาอย่างอื่น คำวตถาคตที่ว่า อ, อิทธิตถาคตโตโลเกเป็นต้นอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เนีคือคือพระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสู้มุตละสมมาสมโพธิญาเนี่ยไหม่อเกิดศรัทธาในการตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้นั่งใกล้ก็เงียบสงบฉะนั้นลักษณะการการน้อมเข้าไปในการที่จะฟังพระธรรมเนี่ยย่อมฟังพระสัจธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็จําเลยเป็น เมื่อเมื่อจำทำนั้นแล้วก็ <c oughs> พิจรารณาเนี้ความแงทำหลักการเหล่านี้เป็นเป็นการศึกษาโดยลำดับทั้งนั้นทีนี้ในการศึกษาของเราท่านทั้งหลายในยุคปัจจุบันเป็นยุคสองพันกว่าปีเราฟังกันหลายๆรอบมันก็ยังไม่จำใช่ไหม อันนี้เป็นข้อที่ทําให้เราต้องมาคิดกันเลยลายอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสขันที่นําโดยเจตนานําโดยสติยึดนําโดยศรัทธาเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นกระแสขันที่กระสับกระสายมากทําไมถึงกระสับกระส่ายท่านก็บอกบอกว่าไอเวทนาเนี่ยเป็นเหมือนกับหอกเหมือนกับหลาไอตัวเวทนาขันเหมือนหอกเหมือนเหลาว มันเข้าไปทิมแทงมันไปทิมแทงอะไรรู้ไมันเข้าไปทิมแทงสัญญาขันและก็สังขารละขันเป็นด้วยก็ทําให้สัญญาขันและสังขารลขันเนี่ยเกิดความอาดูนอาดูนในที่นั้นคือกระสับกระสายเร่าร้อนเหมือนคนถูกลูกศอนเนี่ยไม่ใช่เหมือนก็คือถูกลูกศอนคือตัวเวทนาเนี่ยเวทนามันให้ให้ทุกสามอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเวทนามันให้อะไรมันให้มันให้ทุกกระทุกวิปริณามาทุกแล้วก็ให้สังขารละทุก ก็แปลว่ามันเป็นลูกศรก็ดีมันเป็นหลาวพอดีมันทิ่มแทงเข้าสัญญาขันแล้วก็สังขาแลขันก็เกิดความกระสับกระส่ายเกิดความอาดูทีนี้ประเภทของวิญญาณขันมันก็ยิ่งกระสับกระส่ายใหญ่เหมือนลิงป่าก็เหมือนลิงป่าไอ้ลิงลิงป่าเนี่ยมันก็กระโดดเกาะต้นไม้ที่ต้นนั้นทีต้นนี้ทีอยู่ตลอดเวลามันไม่นิ่งมันจะนิ่งอยู่เวลาเดียวคือมันง่วงแค่นั้นเลยง่วงแล้วก็หลับใช่ไหม มันจะมีนิ่งเวลานั่นเลยฉะนั้นตัวลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็สุกยากไหมจิตเนี่ยฝุกยากเพหวก็เหมือนม้ากระเจาะม้ากระเจาะนี่มันมา้าม้าถ้าเป็นม้าอาชาในาม้าควรแก่การปฝึกต่ถ้าม้ากระเจาะในขนาดโดนตัดเขาว่าโดนตัดแทงจ น, นถึงกระดูกนะถึงกระดูกนะี่มันก็วิ่งออกนอกทางอยู่ด้ว่อยม้ากระเจาะจะเป็นไปลักษณะอย่างนัน้จิตของเราก็เหมือนกันนะที่เรา ก็ลองคิดดูถ้าหาพระปรมศาสาดาตรวจดูกระแสขันก็บอกโอ้ยไอดูทั้งรูปกระ h a n d i c ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหรูปกระ h a n ก็ออกมาเหมือนกระจับ ก, กรดไอ้ตัวจับกรด ก, ก็เหมือนอะไรก็เห็น้ยเห็นคงจับเป็นดอกบัวนะไอ้นี่ไอ้จับตรงนั้นแหะแล้วก็นึกว่ารูปขระ h a นี่คือตาของจมูกลิ้นกายเนี่ยผมกนเล็บฟันหนังเนืเน้เอ็นกระโดดเป็นต้นมันดีใช่ไหมแล้วนึกว่าเป็นดอกบัวดอกบัวต่ออกบัแล้วก็จับมาใส่หัวเลยใช่ไหม จับมาใส่หัวที่ไหนได้ไม่ใช่เดาบนนะไม่ใช่ร่างกายเป็นจับแล้วมันก็ปั่นเลยเล่นนะตั้งแต่เด็กๆอะไรตอนนี้เป็นยังไงมันเริ่มปั่นไปเยอะเนี่โอ้โหไม่รู้โรกอะไรบางคนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นรังขงโรกจริงๆมันเริ่มปั่นไปปุ๊ปุ๊บปุ๊บมันกินไปตลอดเวลานี้เนี่ยโรคขันมันก็กินอยู่น่ากลัวไหมใช่ไหมไอเวทนาขันก็เหมือนเหลาเหมือนหอกใช่ไหมสัญญาขันเนี่ยสัญญาขันในตัวสัญญาขันนี่ก็ มันจำอะไรผิดๆพลาดๆเลยสัญญาขันตรเนี้มันไปปรุงมันไปจําในสิ่งที่ผิดพลาคือสําคัญผิดก็เหมือนกับพวกไอ้มรึกพวกเนื้อพวกเนื้อเนี่ยเวลามันเห็นมันเห็นพวกที่หุ่นฟาร์ม ต, ต่างๆนี่นนนก็ทําไว้ตามทุ่งตามแรงสานึกว่าคนจริงๆเนืสัญญาที่เราจําได้ก็เหมือนกันเราก็มาจําว่าเออเราเป็นอะไรดีอะไรมีตำแหน่งเยอะหมดเลยจาําไอ้ที่เราจํำจะผิดหมดเลยนะ จำพ่อจำแม่จำพี ate, ok> ate, ่จำน้องจำสามีจำภรรยาจำลูกจำเพื่อนจำอะไรเยอะๆจำออบบริษัทอะไรเนี่ยเนี่ะสัญญาตัวเนี้ยมันก็มันก็หลอกมันหลอกผมนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไงจริงๆใช่ไหมสังขารละขันก็มันเหมือนอะไรเหมือนแต่ไอเหมือนกับเหมือนการโดดลงไปในเหวเนอะไอสังขาระขันเนี่ยเหมือนการโดดลงไปในเรืเหว การโดดลงไปในเหวเนี่ยเขาถึงบอกว่าตัวสันขารยระขาไม่ว่าบุญหรือบาปมันชักนำอะไรให้ชักนาปฏิสนรรธน์มามันก็นาปฏิสนธมาให้กยน่ากลัวนลงไปในเหวเนี่ยน่ากลัวพอชักนำปฏิสนธนมาให้นำไปสู่อะไรนาไปสู่ชาติที่ทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายเนต้นเนี่ย ความโศกความลำลายลำพานความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เจ็บตามมาเยอะแยะไอตัวสังขารและขันนีมันยืมก็เหมือนเหมือนอะไรบาทีสังขารแขันนีมันตํารวจตามจับผู้ร้านมันก็ยังเห็นมันก็ลําโทษนี่ก็เป็นเรื่องเ้ยฉะนั้นในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดในยัก่า ่ดูในเศษขปฏิปทาสูตรแล้วก็จะเชื่อมโงในจิตต่างๆนั่นค่อยว่ากันไปตามลำดับคือข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธมีพระพากข้าพถ้าอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงกรบี่ระพัดในแคว้นสักกะแคว้นสักกะนั่นใ้กรุงกรบี่รพัดก็ในสมัยนั้ น, นสันฐานคานใหม่ที่พวกสักยะเมืองกรบี่รพัดได้สร้างแล้วมีนามอันสมณาระพามหรือ ห, หมู่มนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่เคยได้อยู่เลยคือพวก ก็เป็นละพัฒนนะเนี่ยพวกพวกวาพรามต่างๆมนุษย์เป็ผู้ใดผู้หนึ่งไม่เคยได้อยู่เลยที่สร้างเมืองสร้างเมืองเขาไว้สร้างทานก็เหมือนกับสร้างอะไรสร้างเป็นที่ประชุมเป็นที่อะไรต่างๆเหมือนรัฐสภาเหมือนสถานที่ประชุมว่าราชการเข้าใ น, น, นี่ยลำน้อยๆๆ่ครั้งนั้นเนี่ยพวกเจ้าศักยะเมืองก็เป็นลพัฒนเข้าไปเฝ้าก็คู่เมียภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กรากทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพเจ้าข้าขอประธานโอกาสัญธารคารใหม่อันอพวกเจ้าศักยะเมืองกระวิลพัได้สร้างไม่นานเลยอันสำนาหรือคามหรือมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ได้เคยอยู่เลยขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้สอยสัญธารคารนนั้นเป็นปฐมบันลึนสมัยก่อนเวลาก็สร้างบ้านหรือสร้างเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยก็ะจะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูจน์ของปบภาพเหมือนเอาเลิกเขาใช้ ให้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าไปใช้อยาบททั้งสี่เนาะใช้อะไรบ้างอะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มียาบทย่อยด้วยเนาะเนี่ยทั้งหมดแหละไปไปใช้ให้ครบทําไมไม่ได้ประโยชน์ยังไงคือท่านเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดท่านไปอยู่ในที่ไหนใช่ไหมก็ไปองคมันน่าชื่นใจใช่ไหมถ้าเราไปอยู่แล้วใช้สติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดไมไปอยู่บ้านเราเนี่ใช่โอเค เมื่อกี้โยมที่ถแลรวไปแล้ ว, ลวมาก็ถามก็ถามปัญหาพระท่านก็ตอบปัญห า, ญหาต่อไปตอมาขับรดเลยก็ถาบ <c oughs> โยมก็ถาตอบทั้งนั้ดีน่กันถ้าถามดูว่าถ้าถ้าเพาะสุนักขายเพาะแมวขายจะเป็นแบบหรือเป็นยังไงนะรับ อันนี้เป็นชีวิตจริงใช่หนั่นนคิดเขาบกโอไปถามใครว่าเป็นบาปมากเลยบางคนจะบอกเมีบาปแล้วก็บอกก็เลยนั่นนั่นไปจพักมาก็ฟังพฟังแล้วพัาเอาจะบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาบางอย่างนี่ยมันเป็นหาชั้นศีลขั้นศีลใช่ไหปัญหาขั้นศีลกับปัญหาขั้นธรรมมันต้องแยก บางทีข่านศีลไม่ค่อยดูไปดูขั้นธรรมมากเลยโอ้โหมีเยอะเลยยุ่งไปใหญ่เลยเนี่ขั้นศีลก็ต้องจับก่อนก็ต้องจับก่อนว่าไอ้คำว่ามิจฉาวนิชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบทำอยู่หนึ่งค้าขายมนุษย์ใช่ไหมสองค้าขายสัตว์เป็นเพื่อเป็นอาหารเพื่อเาไปฆ่าสามค้าขายอาวุธสี่ค้าสขายสัตราดห้าค้าขายยางผิดนอย่างห้าหลักการในนี้เป็นขั้นศีลก็เรียกว่ามิจฉาวนิชาคืออาชีพที่ไม่ชอบของชาวตัว อันนี้อันนี้เข้าที่หลักไหมอันเริ่มไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเมื่อพอเริ่มไม่เข้าเดี๋ยวค่อยไปไปทบกันในเรื่องธรรมะอีกทีพอตรงนี้แล้วมันจะได้ชัดเลยบอกตรนี้ชัดไหมก็เริ่มชัดแล้วแต่อย่างนั้นเดี๋ยวมันยุ่งทําไมเอาหลักการอย่างนี้มาจับก่อนอย่างั้นยุ่งเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวนี้มันต้องหลักการของครูโสรสศิลป์มาจับดูก่อนอว่าเออเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นสัมมาชีพก่อทีนี้คําว่าสัมมาชีพหรือมิจฉาชีพมันต้องไปไขควาในหลักของพระธรรมอีนะี ใช่ไหมล่ะสมมาชีพเป็นเยอะแยะเลยถ้าคุณเดินจิตด้วยกุศลอกุศลและจิตในชีวิตจริงเลยเนะี่ยสมมาชีพของคุณก็รู้สึกจะด้อยลองเป็นตีนได้เลยตรงจะไม่จะต้องต้องต้ ง, ตงให้ครัว น, นะนี่เต็มเลยตรงเพราะกรณีอ่ะางานบางอย่างเนี่ยเป็นสมมาชีพเยอะแยะจ่ๆๆๆใช่ค้าขายที่เป็นสูขต้องสุจริต ก, กันยเยอะแยะแต่เชื่อไหมคนที่ขายเครียดตลอดเลยคุณต้อง้ครียด แล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตจริงใช่ไหมขั้นศีลคนไม่มีปัญหาแต่คนขั้นของการเดินกุศลจิตในชีวิตจริงนี่คนมีปัญหาแล้วอแสดงว่าโยนิโสมนัสิการในธรรมด้านของที่จะทําสมาธิิให้เกิดขึ้นในบ่ยนผิดพลาดอย่างนี้เพราะอะไรทั้งผิดพลาดไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เข้ามาตรงเนี้ยเพราะไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธาก็ไม่น้อมปัญหาในการที่เข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้แล้วก็เนื้อโสตลงสะดับตั้งจิตรับรู้เป็นต้น อต้องรู้หลักการตรงนี้เลยผสมถ้าอย่างเง้นเดี๋ยวเราจะแตกเพราะบางที อ, อ็ไปพากลูกพากเมียพา ค, พาคแม่เขาเลยวไปกันใหญ่เลยแบบน <c oughs> หลักการต้องเป็นชัดก็จะสำรวมีอะไรบ้างทุกการผมมี่จะเทไว้ท่ก้าวตัวมันโตยาวไม่ได้ ผมจสางอะรก็างมต้องไปทำอะรเลยยมทำชีบอกว่าเป็นเรื่องดีขาดไห้ไปฝาไป้เรดีใ้เราช่วยีวิตาไว้แล้วโปกรแนะนำเลยแล้วพวกการแนะนำยัม่ได้นำเลยโอ้ยยังไม่ได้เลยแต่ว่าคุไปไปับผา้ศั์ลยังไม่ได้ปิัปัญหาคือว่าประเด็นว่าฆ่าเพื่อเออขอไปเลี้ยงเพื่อใช่ไหม ถ้เลี้ยงเพื่อขายเพื่อฆ่าเนี่ยผิดผิดหลักเลยทั้งบอกว่าผิดหลักอันนี้หลักศีลเนาะใช่ไหมเป็นอะไรเป็นนิชฉาวะิชาคือการค่าขายไม่ชอบทยถ้าถ้าหลักศีลผิดแล้วจะไปคิดให้ถูกมันก็ผิดไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหมใช่ก็คือหลักการหนึ่งไม่ตรงแต่คุณจ ะ, จะเจริญกุศลอยังไงก็ว่าไปนะใช่ไหมเหมือนสมมติว่าอาชีพประมงเรวจะบอกว่าเอออาชีพประมงแต่จริงๆแล้วตรงนั้นเน่ะเราไปขิ่มเขาแรงๆก็ไม่ได้ใช่ไหม ก็เพียงจะบอกว่าเออเนี่ยหลักการนี้มันมันยังใช้ไม่ได้เพราะหลักการมันขัดกับที่พระเจ้าตรัสไว้ก็ต้องบอกอย่างนี้แตนี้ว่าถ้าจะมาเดินได้เลยกุศลจิตในชีวิตจริงก็ไปเดินจริงแต่ว่าในที่สุดจริงๆถ้าคุณศึกษาพระธรรมแล้วคุณก็จะรู้เองว่าอะไรควรไม่ควรก็ไม่จะมีคําตอบมันเองชีวิตจนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าใหม่ๆมันก็จะฝืนทําอยู่ได้แป๊บเดียวจะศึกษาพระธรรมนะท่านจเข้าพระธรรมจัดแจงเพราะพระเจ้าในนี้จะจัดแจงท่านคนนั้นถึงว่าอันนี้ไม่ควรแล้ว เราจะเป็นไปลักษณะอย่านี้ทีนี้ว่าสมมติถ้าคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องในบ้านนั้นใช่ไหมเราก็ต้องยกอะไรยกว่าอุบาสิกาที่เข้าไปเป็นภรรยาต้องในพาแค่นั้นก็องยกเองเออคุณจะวางใจยังไงถ้าคุณเกิดจะต้องไปอยู่ในบ้านหลังนั้นในฐานะที่คุณไม่ใช่เป็นเป็นผู้รเริ่มผู้กระทำก็ต้องไว้วางจิตตรงนี้เลยถ้าวางจิตตรงนั้นไม่เป็นเออเดี๋ยวเราก็จะเส like ียหายใงด้านสีในด้านทองมะ ตรงนี้ก็คือว่าเขาขอนิมนต์พระเจ้าพร้อมด้วภิกษุสงฆ์มาไปเป็นไปไปใช้สอนไปใช้สอนเพื่อเป็นเป็นโมฆล่เดชสถานที่ตรงนั้นคือจริงๆเนี่ยได้หลายต่อเวลานิมนต์พระเจ้าและสาวกของพระเจ้าออกไปเยอะเมื่อพระเจ้าไปประทับอยู่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิพรหมที่เป็นสัมมาทิฏฐิมนุษย์ทั้งหลายต่างก็เข้าหัวเฝ้าเฝ้าไม่เฝ้าฝ่าพระเจ้าไปแล้วที่ตรงนั้นก็เป็นที่ที่เทวดาเหล่านั้นก็อารักขาจริง นี่ดีตรบนี้เลยนั้นเขาถึงนิยมมาปัจจุบันเนี่พอพวกเราเอามาไม่ค่อยถูกที่มาทําบุญบ้านงประเทศไทยเอามานี่นึงเอามาไม่ค่อยถู ก, กที่มาทําบุญบ้า น, น, นคืออางทีเอามาพามาสวดปุ๊พอเพาะเก็บกลัจริงจริงก็ให้พระใช้สอยหนึ่งวันสองวันเลยเพราว่าจะถวายพระใช้สอยอย่างใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่พูดถึงถวายเลยนี่หมายถึงถวายใช่ไม่ท่านการ ถยย้าโทรอายอมมองหน้าเลยตาจะมาเอาตะกออี้เ ล, ล, ลยท่านท่านสอนท่านเจ้าสักยะเมืองกรบรี่ลพัดก็จับใช้สอยภายหลังท่านว่าหเมื่อพระพุทธเจ้าใช้เป็นปฐมเลิกแล้วเนี่ยต่อมาเจ้าสักยะเมืองกรบรี่ลพัดก็ใช้สอยภาหลังเพิงมีเปเพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณเพื่อความสุขแก่แก่เจ้าสักยะทำไมเพื่อประโยชน์เพื่อความประโยชน์จะได้เยอะทั้งการได้ฟังทำได้ แกเรีนในกุศลในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะพ้นจากทุกข์เป็นต้นแล้วก็จะเป็ น, รรรนประโยชน์แก่เจ้าศักยะเมืองเกลือเบลภัสซึ่งกัรนั่นะพระผู้ใหญภาคก็รับโดยดุษเดีภาคระดับนั้นเจ้าศักยะเมืองเกลือเบลภัสก็กราบรับพระผู้ใหญภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระเจ้าแล้วเนะี่ยทําประทักศีลแล้วก็ไปยังสันฐานค่ะพระผู้ถึงประทักศิลให้ทังเกตที่เป็นโยมที่การถามอะไรลงมาเรียกว่าประทักศี ติวัดตังทวารทศการใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะรอบสาอาการสุดสอนะฮะรอบสาอาการสุดสนึกได้ปรดี๋ยวประเดี๋ยวไม่ใช่ประจันใจจะมาตอบได้เลยนึกได้ปรดี๋ยวประเดี๋ยวธรรมาจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพระไม่เตรียมหัวข้อเรื่องเลลยแ้อะไรเป็นพระอย่างนั้จริงๆก็อาจะบรรยายสูตรไหนก็หยิบบรรยายเลยเป็นน้ำ แล้วแล้วเวลาจะทำเอกสารก็ทำไม่เป็นบราณทำไม่เป็นหรอก็ะไรไปทาสูตรเตามอะไรมันเป็นอะไก็สังเกตดูไหมว่าเวลาบุคคลที่เขาเป็น้าพระพุทธเจ้าฝ้าเสร็จก็กระทักสิเอแม้แต่ตอนที่สุมเมรดาบทใช่ไหมคิดว่าไปปรารถนาเป็นพุทธเจ้าตัวหน้าก็ทีพังคอนสมานสัมพุทธเจ้า ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าภิกษุอีกสี่แสนลูกก็ประทักษิณเออประทักษิณเนี่ยพระโพธิสัตว์สามรอบแล้วก็ไปประชาชนก็ประทักษิณ น, นี่ก็ประทักษิณอะไรเยอะสามรอบก็ททำกินอะไรนตรงนี้อาตามายังไม่เจอหลักฐานแต่คิดตามตามอุปติสัยของบุรุชนเลยคือเข้ามาสังเกตเนี่ย พระสูตรที่จะมาค่อนข้างที่จะชอบมากที่สุดก็คือธรรมจากกรกบวชนั้นสูตรที่สงศารยายทั้งบาลีทั้งเป็นไทยทั้งอะไรต่างๆออแล้วก็ชอบที่จะบรรยายเรื่อเป็นเรื่องเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไปสังเกตในตรงนี้อยู่เลยถามเขกระถามมาเยอะนะหาจังหลักฐานเนี่ยทั้งอัจฉริยะโดูดีการท่านก็อธิบายวไปแต่แต่ก็ยังยังไม่ชื่นใจคือหมายความว่า คือเราเความแจนแจ้งในใจเรามันยังไม้แต่ว่าที่ที่เท่าเท่าที่สังเกตสังเกตดูว่าถึงเออตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยท่านทําประทักศิลบุคคลที่จะเป็นบริพุทธเจ้าหรือมาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาใครไปเฝ้าพพระองค์แล้วเนี่ยก็จะหลังจากจะกลับเป็นต้นแล้วก็ทําประทักศีลก็ไหวในที่ทั้งสี่ใช่ไหมมีการทประทักศิลไหวในที่ทั้งสี่เนี่ยจะกล่าวอย่างนี้เป็นต้นเนยนั่นก็เป็นเรื่องแจ้ง ที่เรามา ย, ายนาน่างคิดเจรณาดูถ้าเรามาคิดดูตามว่าติวัตตังทวาสสาการังเนี่ยรอบสามอาการสิบสองแต่ละรอบเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือขรงผู้การเขียนสัจญานกิจยานกาานัจยานสัจญานก็คือรอบแรกกิจยานคือรอบที่สองกัจยานก็คือรอบที่สารอบแรกสัจญานก็มีสี่อย่างนี้ทุกนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ความแบบทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะ นี่รอบหนว่าทุกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้นี้รอบที่สองนะสมูทไทยเป็นกิจที่ควรละนีโรคเป็นกิจที่ควรทาให้แจ้งก็ามาร์กเป็นกิจที่ควรเจริ้ใช่ไหมนี่รอบที่สองเพรารอบที่สามมาทุกนี่พระองค์อองรอบรู้หมดแล้วสมูทไทยพระองค์ก็ละไม่ได้หมดแล้วนีโรคพระองค์ก็ทําให้แจ้งในบ่มแล้วว่าจะเป็นบระนิพพานของพระโสดาบันของสกอาธาของพระนาคาของเป็นพระละหันนิพพานของพระเจ้ า, น, น, า, น, านี่ดีตนะเขาจะรู้ไรู้หมดแล้วแล้วก็มาร์กพระองค์ก็อบรม เลยเสร็จสิ้นเลยก็มาพิจารณาโอ้เนี่ยการที่มาบนเะวนวนรอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้งสีนะ่เหมือนการไปยืนยันการตัดสรุปดีของพระพุทธเจ้าเราไปยืนยันว่าเราเชื่อนะพระพุทธเจ้านะี่ตัดสรุปลอบสามอาการสิบสองนิ่จริงแ ล, ล้วก็ไล่ไหว้รอบในทิศทั้งสี่ว่า น, นี้ทุกปนะีทุกเนี่ยนี้ทุกขสัมมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิ โ, นนโนนรธรรมีปฏิปทาเนะ ทุเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้พระบรมศาสดาก็อสอนอย่างนั้นเลยนะไลไปตามแบบพอมารอบที่สามก็รู้ทุเนี่ยพระองค์กําหนดรอบรู้ทีหมดแล้วและเราก็มีศรัทธาในพระผู้มีพระเจ้าเชื่ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ใ่จริงเป็นต้นนี้ก็ยืนยันยืนยันการตัดสรู้อริยสัจของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะได้ไมากามั น, น, นคิดเออนี่ก็ชัดเลยใช่ไหมนในมุมนี้นะอาจจะมีมุมบืออ่อนีก็ได้อันนี้เป็นมุมที่นามงานคิดนหมเด ทีนี้ปัญห า, าก็คือว่าที่คุณโยมถามว่านี้เรพระโสดาบันต้องทํากิจอะไรต้องทํากิจในการรอบรู้ทุกไหมละสมุทัยไห ม, มแลว้วก็อมีนิโรธเป็นอารมณ์ไหมเจริญมากไหมต้องได้สิต้องได้อาการเสียจสอนเอาก็ทําได้แต่มันยังไม่เสร็จแต่มันเพราะว่าทุกของพระโสดาบันหมดไหมหมแต่ว่าในสังสารวัตรของ อย่างยาวนานเนะที่หาเบื้องต้นไะด้ที่สุดไม่ได้หดมาเหลือแค่เจ็ดชาติ น, นี่ถือว่าเยอะหมดไปเยอะมาเยอะมากเห็นไหมสมุทยัยที่จะเป็นเหตุถึงการลงมาบยภูมเป็นยังไงเรียบร้อยขาดสบายเลย น, นิโรดกากาุปนิพานเป็นไงเอา้าท่านเห็นเนี่ยทัศนกิจของท่านเห็ น, หนไหมมีพานิพานเว็ารมคือโสดาเป็มนมากเจริมรรคล้ะท่านประชุมอริยามรรคได้ครั้งหนึ่งแล้วประชุมมรรคแปดในโลกลุทธะแล้วเออยิ่งไมท่านจะไม่ได้ล รอบมึงรอบสามมันจะยังแต่มันยังไม่เสร็จตรงนี้ชัดนะนนนไอตรงนี้ก็เออทำาการเพิ่มแต่จะคิดโดยนิปรยายเนีงยหมายถึงอะไรครับอันนี้เราคิดโดยห้องเพราอยังคิด น, นั้นยังไม่เสร็จถ้าโดยนิปรยายที่โดยตรงเลยทีเดียวก็สูงสุดตัว่าลองดับนั้นนะ น, นะเจ้าสกุะเมืองกาเบราพาธ ทราบแล้วก็ทําประทักษินแล้วก็ไปแล้วก็สั่งให้ปูราสันถาคารด้วยเครื่องปูราทั่วทุกแห่งให้ตั้งอาสนะให้ตั้งหม้อน้ําตามประทีพน้ํามันแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็การาบทูลพระูพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้าปูราสันถาคารด้วยเครื่องปูราทั่วทุกแห่งแต่ตั้งอาสนะหม้อน้ํา แล้วก็ประทีบน้ามันบัดนี้ขอพระพุทาเจ้จงทราบการในสมควรด้วยก็คือนิมนต์ปุจจาลำดับนั้นเลยนะปุจจาพนุ่งแล้วถือบาตและจีวรเสด็จไปยังสันตาคารพร้อมเด็กทิศสูงก็ชําระข้ะบาศเสด็จเข้าไปสู่สันทาคารประทับนั่งพิงเสากลางทรงผินประพักไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศสูงอ่ะชําระเท้าแล้วก็สู่สันทาการผินประพักดงังทิศตะวันตก หินหน้าไปทางทิศตะวันออกแวดลอ้อมพระพุทธเจ้าก็มองพระพุทธเจ้าเวลาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระท่านค่อนข้างที่จะอบอุ่น่นคือถ้าสมัยครังพุทธกาลในเวลาพระพุทธว่าภิกษุสงฆ์อยู่ประมาณสักล้านสองล้านโกูกหนึ่งพระเจ้าองค์เดียวดูแลได้ครบไม้มครบไหมครบนัาครบไหมครบับพระยากจะดูแลครบไหมครบไหม พระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลเขาคิดดูว่าด้วยความไวของโชวนะด้วยความไวของสัพพัญญุญาตพยายามบลวงพุทธเจ้าเนี่ยตรวจ ด, ดูกระแสะขันที่สาวว่าของหลวพุทธเจ้าที่ทั่วถึงมากขนาดภิกษุบางรูปไปนั่น ง, งงงงองอยู่พระองค์ก็ไปประดุจแสดสงเขาพระเพศที่ว่าเหมือนเราไปกินยาอยู่ต่อหน้าหมอยาใช่ไหมเวาลาดื่มยาอยู่ต่อหน้าหมอยานี่ชื่นใจไหถ้ากินยาแบบไม่ไม่มียา ม, มีหมอคอยบอกนี่เป็นยนังไง กว่าเสียวไหมไม่รู้ขนาดที่กินจะสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไม่ใช่เช้าวันนี้เรากินยาอยู่ต่อหน้าหมอยาวเลย น, น่นาเสียใจไหพระพุทธเจ้า บ, บอกพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเพียงองค์เดียวแต่แปดหมืนสี่พันองค์จะอยู่อย่เธอทั้งหลายแต่อยู่แล้วเราจำพระองค์ไม่ได้แต่ยังปัญหาถึง <c ười> ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วจําสูตรยาของพระองค์ไม่ได้ก็ยิ่ยุ่ง หเวลาเคยไหมเวลาเราหน้าไปขัดหรือว่าไปเจริญกุศลเสร็เสร็จ เ, เราคิดถึงพระพุทธเจ้าตลอดนะตัวพอจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเหมือนมีพระเจ้ากระซิบว่ามี่เดินแบบนี้ค่าควรแบบนี้พิจารณาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถือว่าชัดใช่ไหมแต่นั้นๆทีจะมีพระพุทธเจ้านี่าอาจารย์ท่านนั้นว่ายางไงนึก <c oughs> ถึงอาจารย์เฉยเราไวนึกถึงพระพุทธเจ้า นี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเชื่อมต่อกับพระพุทธเจ้าทั้งเกตดดูไหมที่ท่านพระบหินท่าเถละนำพระพุทธศาสนาจากชมบูทวีไปลังกาในขณะที่ไปที่ลังกาใช่ไหมไปโปรดพระเจ้าเทวานาโมยะบิดาพร้อมด้วยพร้อมด้วยประชาชนสแสดงธรรมท่านก็สแสดงสูตรแรกก็คือเปราวัตถุใช่สูตรที่สองก็สแสดงมิมานวัตถกุก็จบลงด้วยสัจจะสมยุ แสดงเปรตวัตถุนั้นท่านแสดงทุกขสั์เนอะวิมานวัตถุท่านก็แสดงสรงทยาสจ๋าเจบลงด้วยสัจจะสังยุประชมอริยสัตจมันโลกันหมดเยอะแยะหมดทุกพระแต่ก่อนท่านมีพิญญาเนาะมีปฏิสัมพิภาอะไรเป็นต้นเยอะแยะหมดเวลาท่านจะแสดงธรรมท่านก็แสดงแบบยิ่งอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนก็บเขาเรียกว่าให้ยาโอเที่ว่า บุคคลที่เรียนยาเขาเรียนสืบต่อใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาเลยนะเรียนเป็นเหมือนมันจบเหมือนนะั้จบจากอาจารยใหญ่เลยว่ะก็จะไม่ยุเราจบสืบต่ออย่างนั้นข า, ข, าขาดบิ่งกันยังไงก็รู้ใช่ไหมเนี่ยก็ท่านพอหลังจากท่านแสดงธรรมโปรดพระเจ้าเทวานาภิยะติสสะพร้อมด้วยประชาชนให้ศรัทธาให้เรื่มใสเปเด่ น, นแล้วก็พระเจ้าเทวานาภิยะติสสะก็ถวายวัดเยอะแย่ในลังกาเนี่ยนะ ข็วัดใหญ่ๆทั้งนั้นอาจจะมาแต่กเห็นแต่ในคำพยียังไม่เคยไปเห็นจริงๆเลยเนี่ยเห็นในคำพีพาะมาเล่าความโบโข้ยาเนี่ยที่เราแปลไปในวินัยเ่ยเหมือนบอกงั้นนะจริงไปนั่งแปลก็บอกเอาพระรไกรปิดกไปนั่งแปลตรงนั้นไหนภาพประกอเลยก็เลยกับอกอนหน่าคิดเลยวราก็บอกเออเดี๋ยวมีโอกาสเพราะอย่าลืมแน่าจนะบอกกนะแล้วมาก็อ่านแล้วก็ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเว้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เขบอก น, นกกกึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จลังกาสามครั้งเราก็รู้อยู่นะในคมัมภีร์ว่าบอก น, นแล้วทีนี้พอหลังจากพระเจ้าเทวัญนำปิยติาสานีิสร้างวัดถาวายท่านนะเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยต่อมาท่านก็ท่านเบละ่ะท่านบอกว่าท่านไม่อยากอยู่แล้วอยากจะกลับบอกว่าเอ้ยทําไมที่อยากจะกลับก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปแล้วแล้วเอ๊ะทำไมข้ า, าหาันท่านคิดถึงพระพุทธเจ้านั่นคิดเนะท่านใช้ศัพท์นี้เลยนะท่านวงท่านอ ย, อยู่อย่างนี้ทัานเบื่หน่าย อยู่ห่างไกลพระศ า, าสดาไม่ได้อยู่ในมาทุภูมิเลยอยู่บ้านแม่บ้านพระพุทธเจ้าอา้าวคือท่านไม่ได้ทำวัดของท่านไงวัดของท่านก็มีอะไรมีการอัญชิีมีการ อ, อภิวาเงมีการมีการกทำอัญชิอีอภิวาสสามีติกรมกรมีการลุกรับเนี่ย อัญเชลีเออยการลุกรับเออยการอภิวาสเออยการทําสามยุิธกรรมเป็นต้นเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็ต้องทาใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยดิลังกาไม่มีเลยหนึ่งไม่มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเลยเวลาพระท่านจะบินทำ บ, บาปเนี่ยท่านก็จะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยการที่ไปกวาดไปเช็ดไปถูไปลานเจดีย์ลานโพนมีในพระวิหารวัดของท่านนะท่านก็อบอุ่นใจใช่ไหมเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะต้อง มีมาหากริยาญานะสัมยุตมาหากริยาวย่มกันใช่ไม้มท่านก็รู้สึกว่าเหมือนใจท่านไม่ชื้นเลยไม่ชุ่มชื้นเลยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าในการที่จะเข้าเฝ้าในการที่ท่านจะเข้าเฝ้าในการที่จะระลึกคุณเป็นต้น <S <S โดยกระแสจิตของท่านถึงพระพุทธเจ้าทุกขณะอยู่แล้วแต่โดยโลกโดย โ, โดยรูกปรธรรมทั้งหลายท่านไม่เห็นเนี่ยจกักขูวิญญาณของท่านก็ไม่เห็นหนึ่งสัญลักษณ์คือต้อนพระศรีมาหาโพลไม่เห็นสัญลักษณ์คือพระเจดีย์หรือพระธาตุเป็นต้นอะไนี่ย สมัยก่อนเนี่ยธรรมาก็เค็นปฏิบัติธรรถ้าถูกสอนว่าอามิสบูชาเนี่ยมีประโยชน์มันต้องทำมบูชาอย่างพวกเรานี่ยสิเองธรรมาก็เชื่อมาอย่างตลอดเพราะทำไงได้ยังไงเราประเภทํางกายครับผู้บาาจารย์สอนเราเชื่อไว้ก่อนใน่ความาศึกษาคําสอนนี้ทำไมมันเป็นแ้าก็เลิมเชี่อเลยบอกเขาสิเขาก็มาแยกให้ดูเนี่ยในคําสอนนึงก็แยกอะไรแยกว่าอามิสบูชา เอออาวิสบูชาดอนในยะของพระสูตรมีอะไรอันนังเป็นต๊ะเลยเนี่ยนะพอทันทีบางเป็นโต๊ะเลยโอ้มีการให้ข้าวให้น้ําให้กระที่ให้โคมไปให้แสงสว่างสิกอย่างเนี้ยอันนี้มาในพระสูตรด้วยมีพระสูตรดันดพิโดกนะเอาแล้วพระพิธรรมพิโดกนะอะอระูปปทานนางสัททานนางกันท่าทานนางรัตสาทานนางโพธิพันานางธรรมะทานนางเอ้านี่พระพิธรรมอยู่ตรงนะี้เองเนี่ยนะเอ้าพระวินัยว่าให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค แล้วก็กีวอนหรือว่าเครื่องนมมงทั้งหลายแล้วก็ยาแล้วก็อาหารนี่ก็สี่อย่างนี้ในพระวินยัยสรุปแล้วม แ, นะแม้แต่นะแม้แต่วัตถุทานอย่างเดียวยังมีทั้งในพระไตรปิฎกยังครบเลยในพระวินัยก็มีในพระสูตรก็มีในพระพิทามก็มีโอ้มันทุกโงการที่เราส่งเคาะลงไม่เป็นเองเนี่ยจ้ะนะส่งเคาะลงไม่เป็นโอ้ยเขาทํำไงพระ อนนท์ทำไมถึงกลับมาถึงมาปฏิบัติต่อพระพุทธพระเจ้าอย่างนั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าปฏิบิพ่านแล้วแล้วก็ลืมดูไปใช่ไหมทั้งที่ท่านพระอนนนี่เป็นพระรหันต์แล้วท่านถือบาทและจีวรของพระพุทธเจ้ากลับมาจากกุสินารามาที่สาวถีใช่ไหมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และประชาชนหมู่ใหญ่ต่างแห่รอบๆตามท่านพานอนนทบางท่านก็ถามใช่ไหมท่านอนมาปฏิบัติอนนท์เอาพระปรมศากสดาของพระพุทธเจ้าไปไว้หน้าที่นั้นเรื่อง ท่านบ้านโน้นโอยจะยินลูกนี้แต่ทีเมื่อสามทางยิ่งทั้งทั้งที่เป็นพระโสดาบันนะก็มาเบ็ดเสร็จพอมาเห็นกูดีของผู้ได้เจ้าเตียงก็ดีตังก็ดีเป็นต้นอะลีน้ำฉันน้าใช้ห ก, กเรียลาดด อ, อกไม้ก็เหี่ยวแห้งเลยจางโอ้โอหานบ้านานนก็ร้องไห้จัดไปทําความสะอาดไปดูแลไปถูไปแล้วก็ตั้งน้ำฉันน้ําใช้ถวายเสมอเหมือนกับพระโบรมาส า, าสดายังทรงมีพระชนอยู่ท่านทำทำไมใช่ไหม ถ้าเราจะบอกนั่นชัยามิสบูชาไหมท่านเชื่อมโยงลงปฏิบัติบูชาได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นเวลาอห็การรับทัพจากหานี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาสงฆ์เน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เสด็จบินบาตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาโอวาทแด่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวะดาพรหม็นท่านก็รู้ท่านก็ระลึกอีกอันนี้ก็คือบ่งบอกอะไรท่านถ่อมกิ่งขท่านนี่พอเราเป็น มาระยะหลังๆแล้วก็มาที่อมิสบูชาพก็ขนาดอมิสบูชายังทิ้งไม่ต้องพูดๆๆดุจประสง์็นบบูชาเลยค่นไทยไปก็เลยทิศละทางพ่อเดินซ้ายลูกก็เดินขวานี่นี่ก็เป็นเป็นโทษอย่างนีง้ออกนอกเรื่องไมไม่ออกเนาะทีนี้ก็พระพุทธลำดับนั้นนะพุทธเจ้า ก, ก็เข้าไปเนี่ยท่านชื่อบอกว่า เออพรพูดถึงตรงเนี้ยก็ทำให้บอกว่าท่านท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าต้องการเปรียเฝ้าท่านต้าไม่เห็นต้องการเปรเฝ้าท่านอยู่ห่างใครจากพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็ไม่สบายใจเขารูใจท่านมันแห้งใจท่านมันเหี่ยวใจท่านไม่ชื้นไม่ไม่ไม่ไม่ผ่องใสต่อมาก็เลยมีการอัญเชิญพระบรมธาตุและต้นพระศรีมหาโปไปปฏิเสธฐานที่ลังกาที่ลังก า, างงก็าติดโง่เลยเลยไหม เพราะของเขาหลักฐานชัดเจนมากอะสองร้อยกว่าปีเนี่ยโอ้โเขาชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นต้นโพก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุไม่ว่าจะเป็นวัดก็ดีนี่การสื่อต่อเป็นของคำพี์นั้งหลายโดยมากพวกเราก็ได้มาจาลังเดียรถ้าไปดูประวัติของเขาของเขาคนทางปะต่อหรือปฏิติปะต่อที่ชัดเจนกับาของเราเยอะลําดับนั้นน่ะนะพระพุทธพระเจ้าก็ยังยังเจ้าสยามเมืองเดลภาทให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาตลอดราตีเป็นอนันมากก็คือพระเจ้าสแสดงธรรมแล้วก็ตรัสแก่ท่านพระนนทร์รับสั่งว่าอานุนยงทำปฏิปทาของเสขบุคลให้แจ้แจ้งนะก็คือให้สแสดงปฏิปทาสูตรแต่ว่านั้นจะเสขัปฏิปทาสูตรทีนี้แก่เจ้าสกยามืองกเวรภัตเราเมื่อหลังเราจับเหยียบหลังดังนั้นนะคือพระพุทธเจ้า บ, บอกเราเมื่อหลังเนี่ยแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเออ ภาษาของพระอริยะเนี่ยที่เวลาท่านกล่าวเนี่ยท่านใช้สามัญนะโยโหานนะคือใช้ภาษาแบบโลกๆใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จับใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมไม่ใช่จับแสดงธรรมภาษาปรามั์อย่างเมื่อวานดูหนังสือของท่านบุรการก็เออใช่ว่าที่เขียนที่เขียนเลยครับไปถวา พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครจะตัดสู้เพร่อการบรรลุได้การฟังปุคละข์เอร์ฟังบัญญัตินี่นะพระองค์ก็แสดงบัญญัติถ้าหากใครจะบรรลุได้ในการฟังปรามาสพระองค์ก็แสดงปรามาสหรือถ้าหากาคนนี่นะต้องการจะต้องฟังบัญญัติก่อนแล้วต่อด้วยปรามาสพระองค์ก็แสดงบัญญัติแล้วต่อด้วยปรามาสหรือจะต้องการฟังปรามาสก่อนแล้วสงบลงบัญญัติพระองค์ก็แสดงอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าจะบรรลุด้วยบัญญัติอย่างนี้พระองค์แสดงบัญญัติเลย นั่นคือพระ อ, องค์นั้นรู้อธิยาศัยมีอาสยามนุสยญาญนยังไหมพุทธเจ้ามีหร้อไมงเราก็ฟังหมดเลยฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะทั้งผู้พดผู้ฟังไม่มีอาสยามนุสยญาญานไม่มีก็เลยฟังเนี่ยพระ อ, องค์ก็แสดงนี้เหมือนกันพระ อ, องค์เนี่ยใช้คำอ้วนๆล่ะก็เหมือ น, นที่ท่านสุ ม, มนสัมเณาเนยนะนนเวลาไปเฝ้าพระเจ้าโศมหาราตก็ใช้ภาษาชาวบ้านธรรมดาทั้งท่านที่ท่านเป็นบาลานนะ เวลาขึ้นไปหาพระเทวดาหาเท้าสกาัดเท้าส ก, ากัดก็คุยกับสมนเนเอา้าสมนเนนทำไมไม่อยู่วะอยู่วะทำไมไม่มาเป็นสมณะอยู่ในวัดทำไมออกมาเป็นพระออกมาจากนอกเอ๊ท่านใช้ภาษากันค่อนข้างฟังเลเอ๊ะทำไมอแปลกเท้าสกัเป็นพระสสดาบาลสมนเนเป็นพระหลังงานหรืมั้ยเออใช้ใช้ภาษาแบบนี้เราเนีเ่ยเออทมาดูไอ้บาลีแปลผิดหรือเปล่าเอไม่ใช่อยงนี้จริงจริงเนอะแล้วูืออึแปลกดี ฟังคือเขาคุ้นเคยกันเลยนะส ม, มเด็จก็ต่อว่าเลยอบอกว่หมาบพิตรนี่ช่างปล่อยบาล่าเลยให้อดธมาที่อยู่รัง อ, อยู่เตาะรังกากันเนี่ยทิ้งทิ้งคงควาวนะไมไม่ดูแล้วเลยต่อว่าท้าวสกาเลยท้าวสกาาอู้ทาไมพระขุนเจ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ใจไม่ดูแลเกิดกิจกรรมของผมมันเยอะขเจ้าส ก, ก่านี่ต้องดูนางสนมเท่าไหร่สามล้านเสามกวดเนนะี่ย สามโกดครึ่งสามโกดครึ่งเนียบางทีพระพุทธเจ้ายังพูดกระทบเลยนะกระทบท้าสกาท้าสกามีนางสนมอยู่สาโกดครึ่งเยอะไหมบก้ท้าสกาน่มีเตาเพิ่มอยู่สาโกดครึ่งเตาคือเตาเพิ่ะเตาไฟใหญ่อะรางั้นนะต้องคอยบริหารเตาไฟอะสามโกดกับอีกครึ่งโกดเงินสิบล้านโอ้โห กำลัคิดดูเพราะพู well, 40, ้เเจ้ากำลังค <LAUGHING> <ko> ิดดูที่ตอนที่พระเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มันมีนางสนมสี่มุมที่แบบประเภทที่แปดมื่นสี่พันคัดออกแล้วนะเอาแบบไม่สูงไม่ต่ําไม่ดําไม่ขาวไม่อ้วนไม่เตี้ยเลยนะพอหมอนี่นะเหลือสี่หมื่นโอ้เตาไฟตรงนั้นเลยมองเห็นเป็นเตาไฟเลยนะเคยเห็นพวกเราเห็นเป็นงั้นไหมบอกโอ้ลีใกล้เตาไฟเตาไฟเพื่อไว้เพื่ออะไรอ่ะ เอาไว้ย่างอะไรเตาไฟอาไว้ย่างเอาไว้ยา่ า, ยางเวลาเป็นโรคเลื้อนคนก็เป็นโรคเลื้อนเนี่ยก็จะใช้เตาไฟนี่แหละย่างถ้าไม่ย่างได้ไหมไม่ย่างก็ไม่ได้ยังไ ม, มันคั้นสมัยก่อนเว ล, ะ ล, ะ ล, ะละารักโรกรัาษารลกใหญ่พวกโรคเลื้อนโรคอะไรหลายๆมันจะมีน้ําเหลืองไหลอพอมีน้ําเหลืองไหลอมาพอไปย่างที่เตาไฟเสร็จแล้วก็สะเก็ดมันก็แห้งพรสะเก็ดแห้งก็ใช้ใช้เล็บเกา่าเกาตรงปากแผลเกาที่แผลไม่ได้มันเจ็บ ในขณะที่เกาปามมีความสุขนะมันสุขตรงนั้นแหะสุกที่ในเกานั่นแหละไอ้หนอนที่อยู่ข้างในมันก็วิ่งชอนใช้เข้าข้างในเลยมันร้อนมันเดินเนี่ยพอใช้เข้า้างในไอ้หนอนก็ไหลออกมากามาคุณเป็นอย่างนั้นเลยที่เราการมาคุณเป็นอย่างงั้นที่เรากำลังวิ่งหากันอยู่นีๆเหมือนอย่างนั้นความสุขที่ได้จากกามาคุณก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเอาไปย่างเตาไฟใครมีลูกน้องเถอะเรย มีลูกน้องสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยันเตาไฟทนั้น <c oughs> เตาไฟทั้งนั้นยางเอาไปยากแล้วก็เกาเกาขอแผลเ่าเกาเกไปไอตัวไอไอน้อนอยู่ไหนก็ใช้เข้าไปไอ้่ำน้องก็ไหลขนันกลวพพระเจ้าว่าไงใช่ไหมว่าบอกว่าความไม่มีโรคเป็นราันป็นเกษตรนะนิพานเปสุดยางนี้ คาถานี้แม้แต่ชีอาชีว์เขาเขรู้เนี่ยเขาเรียนสืบทอดกันมาเป็นคาถาเขาก็ท่องมาเลยพวกเจ้าของเธอไม่เข้าใจนี่ความไม่มีโรคในศาสนานี้ไม่เข้าใจนิพพานของในของพระตรปิฎกใช่ไหมคนโดยมากเขาก็จะเข้าใจกันไงบอกว่าความไม่มีโรคก็คือไม่ปวดไม่ตัวร้อนไม่เจ็บไข้ฟันไม่ผูอะไรก็อินเป็นลาบเประเสริฐแล้ว พู้เจ่าเธอไม่เข้าใจนี่ก็เข้าใจความไม่มีโรคในาศาสนาขันเธอเป็นโรกไหมบอกโอ้ยจักรคูโรโคโซตาโรูโคคานะโรคโคใช่ไหมโรคทางนี้นัน่นไงไม่มีโลกคือไม่มีขันน่งแต่ความในการไม่มีขันมันถึงจะเป็นสุขเราไม่ค่อยเข้าใจอัตยาสายหลวงพระองค์เลยนี่แรงนะอันนี้แร ง, นะนนแรงสูตรนี้โอ้อ่านไปแล้วแรงอ่านไปแล้วรู้สึกหนึ่ ม่พยายามได้ใครดีทำมากคุณเลยแ <ís> ล้วจะนอนเป่าต่อเฟิร์มอยู่เสมอทีนี้เขาบอกว่าไออาชีวบเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแบบประเภทศาสนาของพระองค์ในกำจัดความเจริญแต่ต้องของเขาสิของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าครอบคลุมความเจริญทางๆงหูจมูกลิ้นกายคือว่าถ้ารูปไหนที่ไม่เคยเห็นเขาก็จะต้องพยายามกระเสือกกระสนหาไหมได้ เมื่อได้เห็นแล้วก็ปล่อยเลยไปแล้วก็พยายามจะประเสริฐประสริญดูสิ่งดูรูปที่ยังไม่เคยดูต่อไปใช่ไหมเสียงก็เหมือนกันเสียงใดที่ยังไม่เคยได้ยินก็พยายามจะหาแสวงหาให้ได้ยินไม่ได้ยินแล้วก็ปล่อยผ่านเลยไปกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นไหนไม่เคยดมก็พยายามแสวงหาจะดมเนี้ยได้ดมได้เสร็จก็ปล่อยผ่านเลยไปก็แสวงหาสิ่งที่มันมันประหนี่ประหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆรสอาหารก็เหมือนกันก็แสวงหารสที่มันไม่เคยกินเนี่ยร้านอาหารไกลแค่ไหนก็พยอมจะไป สั่งอย่าพัฒนาเขาเอาเนี่สโต๊ะต้มเนี้ยแล้วก็ทําสัมผัสก็เหมือนกันเย็นร้อนต่างๆก็แสวะเนี่ยอันไหนที่มันไม่เคยก็อัที่มันได้แล้วก็ปล่อยผไปทางทำอารมณ์ก็พยายามชิดสิ่งที่มันดีๆนี่ก็ฉะนั้นก็บอกกระตชีของเขาดีสิเพิ่มพูนความเจริญเนี่ยนิพานมันก็จะได้ความเจริญอจากการได้ได้ความสุขจากอารมณ์นะผมแต่พระพุทธเจ้าด็สอนให้ตัดบอกเีงบอก จำกัดความอยู่เลยพระเจ้ายอมรับรอจำกัดความเยู่เลยพระงค์ก็ยอมเพราะพระเจ้าสอนเรื่องการสมรวมมีสีเป็นอต้นเลยแต่ว่าที่สุดจริงๆพระในความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าคือการพ้นจากสิ่งต่างๆทีนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อยเมื่อยลำแล้วก็ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังพระเจ้าตรักยาเป็นต้นเหล่า น, นั้นต่อมาต้องให้ ท่านพระนุนทูนลพระพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยพระพุทธยาก็โปรดให้ปูร่าสังคาติสี่ชั้นสําเร็จสีิฮะเสยญาณนะด้วยพระประเบื้องขวาเออเบื้องขวาแล้วก็ซ้อนพระบาทหนึ่พระบาทมีพระสติสัมปชัญญะกำหนดหมายในพระไตยในอันที่จักลุกขึ้นที่จริงคือพระพุทธเจ้าต้องการที่จะใช้สอยสันฐานทานของเจ้าสักยะนี่โดยอียบ ท, ทั้งสี่ก็คือต้องการที่จะมายืนเดินนั่งแล้วก็เฉพาะอียบทนอนที่โบงใช้กิริยามีคำพูดในลักษณะอย่างนะั้น ก็ ค, คือจะเป็นพูดเหตุอื่นใช่ไหมท่านก็ใช้ในตำนานว่าเออมื่อไหร่หรลำดับนั้นท่านพ้านรนก็เชิญเท้ามหานามาสากยะกล่าวว่ามหานามะอริยาสาวกในพระทวีไนนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสื่คุ้งครองในอินทรีในทวารทั้งหลายผู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ประกอบด้วยสปุบบริสธรรมเจตการเป็นผู้ไดช้ชั้นสีเป็นต้นอะไรเนี่ยนะท่านก็แสดง คือจริงๆท่านก็เลอกไล่แสดงมาตามลําดับตั้งแต่ประกอบด้วยปาฏิโมกสังวศรศีลอินทรีย์สังวศรศีลเป็นต้นอันเป็นธรรมเครื่องอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐาธรรมตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากเพราะพูดอย่างเงี้นะก็ทําให้คิดถึงว่าอาริยาสาวกนี่ท่านได้ไม่ยากเลยนะกรณีที่ท่านถึงพร้อมด้วยกุลศลศีลที่เป็นปาฏิโมกสังวศรศีลอินทรีย์ สังวรศีลรู้จักประมาณในโภชนาประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นและประกอบด้วยสัพหริสธรรมทั้งเจประการก็คือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้น น, นะแล้วก็ยังได้ฌานทั้งสีมีบทบำฌานทุติยฌา น, ต, านตัทธิฌานเจตุติฌานเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านจะแสดงไว้แค่นี้ท่านในพระไตรปิฎกโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นนักอ่านนักศึกษาพระไตรปิฎกหรือคําสอนของพระเจา้าเนี่ยเวลาศึกษาเก็บความละเอียดเข้าไปจริงๆเนี่ยจะสนุกจะสนุกแนวคําสอนของพระเจา้าบางครั้งพระองค์แสดงย่อ บางครั้งพระองค์ก็แสดงโดยพิศดาเนี่ยแต่การแสดงย่อหรือการแสดงโดยพิสดานั้นก็จะแสดงในลักษณะที่ว่าถ้าขยายออกมาก็จะเป็นไปในแนวในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเลยนะมหานาชมะอาญาสาวกเชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรอาญาสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยมัญญาและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกขาเบื่อทั้งหลาย มหานามะอย่างนี้แลอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือกุศลศีลเนี่ยถ้าในบางสูตรนะพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าประเภทว่าเจริญกุศลศีลอันประเสริฐนถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นในสุภาสูตรเป็นต้นหรือในสามัญญาผลสูตรเนี่ยท่านจะใช้คําว่ากุศลศีลที่กุศลศีลนั้นประเสริฐในที่นั้นท่านใช้คําว่าจุลศีลมชิมศีลและมหาศีล แต่ถ้าสรุปลงอันเดียวกันก็คือปฏิโมกสังวรศีนี่เลยก็คือปฏิโมกสังวรศีน่าไปเกลียไปดูลำดับอะไรต่างๆเนี้ยเพราะหลักของปฏิโมกสังวรศีเนี่ยก็ก็จะคุมก็จะคุมสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยไปทั้งหมดเลยก็ว่าได้ว่เป็นเป็นหลักนะเป็นหลักเป็นประธานของศีลทั้งหมดอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาในคําสอนอย่างเนี้ยนะคําว่าสํารวมระวังในพระปฏิโมกสังวรศีนแปลว่าอะไร เมื่อสักครู่เราบอกตอนเริ่มต้นก็บอกคุณรบุตรในพระธรรมวิไนัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้นั่งใกล้เขาเงียโสงบลงฟังก็ย่อมฟังธรรมเนียการฟังธรรมเวลาพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเวลาท่านเหล่านั้นแสดงธรรมพระองค์ก็จะแสดงตามแบบแผนตามอริยะเพีดีทั้งหลายในแบบแผนทั้งหลายเนยเวลาแสดงปฏิโมกซังวอศีลแปลว่าศรัทธาท่านแสดงเรียบร้อยไหมท่านแสดงแล้วเพราะปฏิโมกซังวอศีลมีศรัทธาเป็นประธานอยู่นะ ทีนี้พอเชื่อมโยงศรัทธาที่เป็นประธานเนี่ยกอคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาพิจารณาตามหลักปฏิจจระลงเชื่อมโยงย้อนกลับไปดูศรัทธาเนี่ยมาจากทุกมาจากทุกใช่ไหมเพราะว่าสับโลกทั้งหลายเนี่ยเห็นชาติทุกชาติทุกมรณะทุกโสกปรีเทวาทุกปฐมมณัสและอุปายกใช่ไหมทุกก็มีชาติเน่ยเป็นประทัดฐานใช่ไหมทุกในชาติทุกน่ย ก็มีมีชาติคือการเกิดความทุกข์ก็มาเบียดเบียนเมื่อเกิดความทุกข์แล้วเนี่ยท่านผู้มีบุญบรารมีกันทั้งหลายนี่ยสั่งสมอัตฉริยสายมาดีเนี่ยก็จักน้องเข้ามาฟังธรรมเพราะอัตฉริยสายในการฟังธรรมค่อนข้างสูงก็มีศรัทธาศรัทธาก็จะผลักดันกระแสขันลงท่านเหล่า น, นั้นน้องก็หาเข้าไปใกลบ้บัณฑิตบัณฑิตก็จะแสดงธรรมให้ท่านฟังอยังวนั่นแหะท่านมาจากศรัทธานะพอฟังธรรมแล้วก็จะเกิดโยมิโสมนัิการแล้วมีกุศลศีลก็ว่าไปตามลำดับ แต่นี้เรามาเชื่อมดูในเบื้องต้นในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ฉะนั้นการที่มีศรัทธาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือมันจะทุกข์เนี่ยเป็นประฐานทุกข์ก็มีชาติใช่ไหมชาติเนี่ยแหละชาติก็มีอะไรเป็นเนียอะไรนี่ภวะใช่ไหมมีภาวะเลยเป็นประฐานมีเหตุใกล้ภาวะก็มีอุปาทานอุปาทานก็มีตัณหาตัณหาก็มีเวทนา เวทนาก็มีผัสสะเป็นประทัดฐานอาสาก็มีอะไรสรารยตนะสรารยตนะก็มีอะไรนามรูปนามรูปมีอะไรก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีสังขารสังขารก็มีอวิชชาในชะ่ไหมฉันเพราะโทษของความไม่รู้ในสังสารวัฏนี่แหละอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดการทำบุญทำบาปแล้วก็ประเภทอนินชาที่สังขารก็คือทำอารู ป, ประกุศน ก็เป็นไปในวัตฏะเขาเรียกว่าก ah ุศลที่เป็นไปในวัฏตะเขาเรียกว่าวัตฏะคามมีกุศลนี่เลฉะนั้นการทํากุศลกรรมมากุศลกรรมตรงนี้มันเหมือนกับโดดลงเหวเลยอะโดดลงเหวเลยนะมันน่าหวาดเสียวจริงๆมัชัดนำหาปฏิสุทธิสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกับปฏิสนธิวิญญาณเระว่าจิวิญญาณก็เกิดขึ้นนี่โดยเฉพาะปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็ชัดเอานามเอารูปมาแล้วจะนําขันห้า ก็ได้นามรูปอาญาธนามาแล้วแตเนี้โอ้โหแต่นี้จักตาก็มาหูก็้ามาจมูกลิ้งกายอะไรใจเพราะตามาเล้รูปมาใช่ไหมฝ่ายอะไรแต่เนี้พราตากับรูปไปชมกันเอ้าอ่าแล้วไปชมกันอีกเยอะแยะแต่เนี้ใช่ไหมอาญาธนาก็เป็นปัจจัยกับผัสสะผัสสะเป็นกระจัยกับเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยกัตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยกับอุปาทานอุปาทานทํากรรมอีกแล้วทำภพนี่นะเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ ทุกเ ก, กโศกโศกเขเกิดอาวิชาแลวอาวิชากับหมุนทำกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยไปไปมาสังสารและวัฏกระแสขนันมันก็หมุนไปตามครบน้อยภบใหญ่แล้วมันออกไม่ได้เลยทีเนี้ยเพราะเราตั้งศรัท ธ, ธาไว้ไม่ตรงสักทีใช่ไหมไม่ได้ตั้งไวตง้ตรงนี้ตถาคตถาภูริศรัทธาดังนั้นท่านทั้งหลายที่ท่านพากันพ้นทุกข์กันลืมลำลืมลงท่านตั้งมันถูกแล้วท่านตั้งอัตยาใส่สมัยที่พระธีบังกรสามาสุดพระเจ้าท่านปากท่านหนานี่ยท่านที่ยังไม่ได้บรรลุท่านก็คิดเข้าาหงมย ข้าพโลทิศัตสบอกเออเนี่ยถ้าท่านได้บรรลุเนี่ยข้าพเจ้าก็ปปา ไ, ปากไปขอเป็นที่พึ่งขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้พราไปขอเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าเสรเสร็จน้่แปลว่าพราพโลทิศั์ท่านก็ไม่ลืมใช่ไหมเออท่านไม่ลืมนะเออตอนที่ตอนที่พระนางพิมพาลิยาโสธราตอนที่ท่านจะไปนิพพานตอนนั้นท่านอายุเจ็สิบแปดหรือเจ็ิบเก้าแหละท่านต้องไปนิพพานก่อนพระเทเจ้าท่านก็ไปลาพระเทเจ้าข้าแต่พระ อ, องค์กูจเจริญมนะ เทราพุทธเจ้าบอกว่าขอให้พุทธเจ้าเนี่ยคิดถึงคุณของหม่อมชันบ้างแหมเราฟังหนูทําไมพระอรหันต์พูดแบบนี้เนาะอันนี้แทนเอิบคิดน่าแปลกจริงๆเนี่ยเหมือนนี่ทำไมต้องไปทวงบิณคุณบ้าบอให้คิดถึงคุณของหม่อมชันบ้างที่จริงดีแล้วต่อมาว่น า, น า, นานางก็กระลิ้นผ่านอย่ามันนั่งคิดดูอ๋อจริงๆแล้วท่านต้องการที่จะเชิด โชวบุคคาชาคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อพระเจ้าชาติประวัติของนางมาเล่าสังเกตดูดีตั้งแต่เป็นพระธีบางกรเนี่ยนะตอนเออตอนที่ตอนเ อ, อยู่แถวหน้าพระธีบางกรเนี่ยว่านางพียงพาเนืดอกมัวเนี่ยแปดอกเยถวายพระพุทธศาสนาถืออุปศน์พอรู้ว่าท่านวันนี้ปรารถนาพระเจ้าแล้วอยู่ต่อมานี่ยก็ตั้งอัธยาศัยในการสร้างบารมีแล้วโอหถวายชีวิตเน่ยนะแล้วนางพระนางก็บอกนะว่าว่าตัวพระนางเองเนี่ย ถวายชื่อพระไกับ พ, บพระพรองค์เนี่ยมาขนาดนในพระนองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดืงประวัติว่เ น, นี่ยอันนี้ก็หนึ่งปัจจัยนะที่มีพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายล้านหลายกดโกดปัจจัยนะเนี่ยพระนางพิมพาก็หนึ่งปัจจัยนะถ้าขาดพระนางพิมพาก็สมมาสมพุทธเจ้ามีไม่ได้เป็นต้นในนี้ต้องการจะให้เห็นคุณว่าเพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ จะต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมนี่อย่างจํานวนมากจํานวนมาหาศาลและอย่างมโหโฬานนะว่าเนี่พระองค์ก็ชักบบประวัติเทววังาโอ้ไม่ทํธรรมดนี่นาจริงจริงก็คือว่าเป็นถ้าอย่างเราเท่านทั้งหลายมาพูดกันใช่ไหมว่าเราไปช่วยใครแล้วใครไปพูดเนหะมือนหรือบุนคนเลยนะไม่ยอมกล่าวกระเสิคนคนแล้วอย่างเราก็พูดแบบภาษาของบริชนพูดอย่างเราพูดเนี่ยพูดอย่างน้อยใจจริงจริงใช่ไหมครั พูดเนี่ยคือน้อยใจในะที่พูดเนี่ยมันจะพูดเพราต้องการให้เขาแสดงคุณท่านพูดนั้น่แต่พระอะหานเนี่ยแค่ขนาดอัตยาสายของพระนางพิมพาอะไรยังเดาไม่ถูกเลยเดาไม่ถูกเลยเมื่อไม่รู้จะคิดอัดถาของไหนเนี่ยในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วในการที่จะอ่านอัถานี่นะไม่ง่ายการที่เราเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราจะมองอัถาในการที่เป็นพระพุทธเจ้าที่พูดเออเขที่ในการที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยการที่จะเห็นอัถาตรงเนี้ยไม่ไม่ง่าย นั่ไง่ายพราะในกรณีที่อย่างยกตัวอย่างเช่นนี้ที่เราเราท่านทั้งหลายเราเวลาเราไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนทําชั่วทั้งหลายเนี่ยเรากลับอ่านอัตถะของสิ่งเหล่านี้ไม่ออกเวลาเราเห็นคนทําชั่วเนี่ยเราเราอาจจะอา่านเราน่าจะอา่อานอาัตถะออกว่าเนี่ยเขาบอกอะไรเราว่าเจ้กอดเนี่ยเขาเป็นคนดีมไหมเราดีกว่าเราได้ซะไปตั้งมัน่นในกุศลศีอย่างมากก็เหมือนกับพีพราไปเห็น อุบาสเอเห็นชาวบ้านคนหนึ่งตัวก็ดำเป็นเนื้องเลยอะแบกฐานตัวดำเดินไปเนี่ยพระเนนใหม่เห็นพาดันหัวร้อยไม่มโอโ้โหเห็นไม่แต่ก่อนได้ข่าวว่าท่านคนนี้บวชอยู่ดีๆต่อมาศึกได้เป็นขี้ข่าผู้หญิงก็เนี่ยพาดันหัวเราอยท่านจะทิ้งฐานลงแล้วก็ชี้หน้าพระก็บอกว่ายกมือขึ้นว่านี่งบอกมีท่านนะสมัยที่ข้าพเจ้าบวชเนี่ยข้าพเจ้าได้อาพิญญาเนะี่ยได้สมาบัตนะิเนี่ย แต่ว่ามือที่ดำดำก้านเกลกีกล้ยงของข้าพเจ้าเคยโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาแล้ท่านทำได้อย่างผมหรือเปล่า <c oughs> ตัวสนับแล้วมันผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่พระพระที่หววัวเราะย อ, ยอมก็ผิดให้ยมที่ไปพูดว่าขับไา่มันก็ผิดแต่จริงๆก็ได้ความสลดใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรา อ, าอ่านอัฏของคนแบกฐานไม่ออกพระเนี่ยท่าน อ, าอ่านอัฏฐาไม่ออกก็คนแบกฐานนั้นสมัยก่อนท่านสํารวมในศีลมีศรัทธา สัมรวมในปาติโมกมีอินทรีย์สังวรแล้วก็รู้จักประมาณในโภชนะมีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดแล้วท่านสันโดษแล้วท่านทำปฐมฌานทุติยฌานตติฌานเจตุติฌา น, ท, ท, านทำอรูปฌานอีกสี่รวมเป็นสมาบัติแปท่านได้อภิญญาโลกญาภิญญาท่านสามารถรูปคําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ด้วยมือเปล่าได้แต่ด้วยความประมาทเนี่ยเราอ่านอัฏาตรงนี้ไม่ได้ไปก่อนนลยนะเวลาเราเห็นคนขอทานเนี่ยเราก็ยังอ่านอัฏฐาไม่ได้ เราอ่านอาธรรไม่ได้ท่านคนนั้นแต่ก่อนสมบูรณ์ไม่ศีลเป็นจักรพรรดิมาก่อนไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเราอ่านไม่ออกแล้วก็เห็นเพียงในปัจจุบันเนี่ยโดยการที่เราศึกษาพระธรรมของพระเจ้าเราเชื่อมลงสู่ชีวิตจริงไม่ได้เราก็เลยมองแล้วก็คิดได้เพียงง่ายๆอย่างที่เราคิดแต่ก่อนที่บอกว่าสมเด็จพระตาจารโตไม่ข้ามสุนั้ขท่านก็บอกอุ้ยครัวโตทำไมไม่ข้ามสุนัข เาบอกเอาจะรู ue, ้ได้ยังไงเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าเมื่อคืน้าเพราถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดพระเจ้าในอดีตยังทำไทังศีลดิมั้งอย่างเราเตะส่งแล้วบางคนทีเจอไม่ต้องเข้าไม่ได้ไม่ใจเมย์วก่างนมันโดนขวางมาเตะแล้วเยอะไปเตะพระโพธิสัตว์ขึ้นมาแล้วยุ่งกันนะจำเหมือนสมัยก่อนที่ก็าเล่าที่บอกว่าเออที่แปลกก็ว่าพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นสัตว์ใดน มาดูในตำมอบดไม่แปลกเลยที่บอกว่ามีพระรูปหนึงในสมัยก่อนเป็นพระเทเรซอยู่นั่นอยู่อยู่ที่ว่าอยู่ที่นครพนมเหมือนอท่านก็พักเพืนน่นอนหลนับลองจาวัดนี้นะต่อมาก็มีมีท่านปันหินปลาทองอยู่สองตัวมาบอกอู้ช่วยเราที่อู้เราพลาดจะแล้วล ว, ลว่ามันเข้าไปติดในรอบของชาวนาเจะแล้วเขาจะฆ่าเราวันนี่ในวันพรุ่งนี้ว่าไหมนนให้ช่วยด้วยจะลงมาสร้างบารมีหรือฆ่าหรือ บอกท่านอย่างนี้นะท่านตื่นข่ไว้อะไรเกิดขึ้นกับท่านนะแล้วก็บอกชื่อคนไรเสร็จนะท่านก็เลยไปเลยประาณไปพิบาลยอมเออว่เอชื่อเอมากเล่อยู่ไม่ยอยาง้ออเมากอยู่ที่ห้างน้าเนอะเออนั่นใไปบ่อยๆเอมากลาสองตัวน่ะจะมาขอบินหนาบังเนียเงินเดือนกาแจกจะขายอยู่นะก็เลยพระรู้เด็ที่ไหนท่านฝัน แ็เลยไปถวายเหรียญหม้อเป็นปลาทองสองตัวเป็นใบช่อนนี่พอมาไปเสร็จท่านจะตามภาษาท่านนะเทจีนยังไงท่านก็ประกาศที่โยมเออโยมนี่พระโพธิสัตว์ท่านลงมาสร้างเมื่อไรนี้ทำพิธีใหญ่โตเลยป้องร่อข่าวได้เนะ่ยเนี่ยป้องไปปล่อยที่แม่น้ำโขงชาวบ้านไปกเต็มมีการจัดธงฉัดราชวัตรอะไรก็รู้ประเภทนิสานก็เป็นรอยด้วยกางมป็นน้ำแล้วก็ทําพิธีปล่อย พอปล่อยฟ้าฟ้าก็ผุดดำผุดไหวสองครั้งก็หายไปไนี้นี่นะคงก็เปเรื่องแปลอันนี้อันนี้พระฝันไม่มีอ้างในตาําราที่มาเล่าประกอบทีนี้สมาทานศึกษาอยู่ในนี่ตรงนี้นะในสังสารวัตรที่ถึงบอกว่าเวลาทํากรรมเป็นต้นเหล่าเนี้ยเวลาทำกรรมเป็นต้นเหล่านี้ยนะแล้วภาในที่สุดจริงๆก็เนะี่ยแหละเป็นปัใจจัยให้เกิด อาญตนาขัดสาบแลก็เวทนาตาหาปวาทานกรรมแล้วก็ภาวะและก็ชาติชาติก็เป็นปัจจัยเก่ดทุกข์ที่นี้สัตว์โลกทั้งหลายก็เจอตามทุกข์เยอะแยะหมดแต่ว่ามีไหมที่ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัจจัยเก่การตั้งสถาบันได้ถูกต้องหายากมันมันมีภัยอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมนาง า, าสัตว์ทุกุลโลนาภนะภัยภัยในการที่จะต้องเห็นหน้ามองศาสดายอยู่ลำบักใช่ไหม เพราะไอศรัทธาของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ก็ต่อเมื่อที่เรายังมีสารณะแลื้อสาระของเรายังเป็นโลกียะสาระคมอยู่เลยใช่ไหมเมื่อเป็นโลกียะสาระคมเนี่ยมันจะขาดลงตรงจุดติขนาดถ้าเป็นโลกียะแบบประเภทอย่างมั่นคงเลยนะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเนี่ยมันจะไปขาดลงที่ตรงที่จุดติขนาดเพราะปฏิสนณฑ์ที่ใหม่เราไม่รู้จะไปปฏิสนณฑ์ที่นาะแดนแห่งขนตบุญไหนประเทศไหนภูมิไหนชาติไหน แล้วไปปฏิสนธิปปุ๊บเนี่ยและเราจะนับถืออะไรเลยเขาถึงบอกว่าจะต้องเง้นมองดูาศาสดาดูครูอยู่ล่ำไปเลยเลยนีย้ไม่รู้ใครจะเป็นครูของเราต่อไปหลังจากครบนี้เขาจะบอกนั่นคือภัยของงานเกิดประกาแรกแรกเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องภัยอย่างอื่นแล้วกิเลกก็ดีทุจริตเป็นต้นประดีวิปวิปลาภายัยภัยในใบพุ่มเป็นต้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ภัยแค่นับถือาศาสดานี่ก็งอนเงิ้ยงคนแก่นี่ย ไม่ไม่ได้ไม่สามารถทําโสดาปฏิมาให้เกิดขึ้นในกระแสขันเพราะในกระแสขันเราโอปนิยโกโลกุตระมากให้เกิดขึ้นในกระแสขันไม่ได้่ยังไงน้องเข้ามาสู่กระแสขันไม่ได้โดยทสมน้อยโดยสมน้อยคืออะไรธรรมจักที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะแทงตลอดเทศปฏิเวทธรรมจักที่ต้นพระสรีมหาโพลยังไแทงตลอดปฏิเวทธรรมจักก็คือแทงตลอดสติปัฏฐานสมปัติทานอีกที่บาง อินทรีพระโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคเนะี่ยแทงตลอดโพธิปักคียธรรมเนี่ยอันนั้นเขาเรียกวปฏิเวท ธ, ธรรมจักก็แปลว่าธรรมจักนั้นหมุนเข้าสู่กระแสะขันของูพุทธเจ้าคือสติปตฐานเป็นเจ้เลยพระองค์ก็แทงตลอดตอนนั้นต่อมาเทศนาธรรมจักพระองค์ก็เริ่มไม่หมุนตั้งแต่ทรงสแสดงธรรมจักกับพระวิเทสุใช่ไหมเทศนาธรรมจักที่พระองคทรงประกาศนั้นก็คือประกาศอะไรศีล ส, สมาธิปัญญา หืออริยสัจจะธรรมนั่นสทีนี้เทศนาธรรมจกักรหรือจักกะจักกะคือธรรมะคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นสติปัฏฐานอินทรีพระโชดชงเป็นต้นเหล่านี้ยถ้าหมุนเข้ากระแสขันของท่านผู้ใดได้ท่านผู้นั้นก็ประชมลงในกระแสขันแล้วทำโลทำอริยคุณให้เกิดขึ้นถ้าโลกุตระมักดูดขึ้นนีน่ก็แปลว่านีโ่โพธิปัจจียธรรมประชมกันแล้วในมรรคจิตนะ พอประชุมได้ปุ๊บนี่แปลว่ามั่นคงแล้วสระ า, าของท่านพนนั้นนะเขาต้เป็นสราระที่มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวแล้วถึงแม้ว่าจุตติจิตจะดับเปลี่ยนพบปฏิสนธิใหม่ก็ไม่ต้องขอถึงสราระคมอีกแล้วเพราะเป็นโลภุตระสระคมแล้วมั่นคงแล้วไม่ขาดไม่ดามใช่ไหมไม่พลอยไม่เศร้าหมองแล้วแต่อย่างเรานี่มันไม่รู้จะขาดตอนไหนใช่ไหมมันง่ายมาก ถ้าจิตใจจิตปุ๊บวันไหนก็แปลว่าเราหมดแล้สระนาขาดทันทีหน้าหวาเสียมะสระนาเราจะขาดลงหน้าเวลาไหนก็ไม่รู้เนี่ยนั่งเพ่นเพ่นนิ่งอยู่ น, นี่บางที่กําลังโกรธสระนาขาดีปหยัดลอยเลยเลยไม่รู้ได้กติไม่ดีเลยลเดี๋นี้ยฉะนั้นตรงนี้ท่าบอกว่าอริยาสาวกเนี่ยที่บอกจะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นเหลเนี้เป็นผู้ถึงสํารวมระวังในปาฏิโมกข์อันนี้กันตั้งที่ท่านเนี่ยนะ อริยาสาวกนี่ท่าเป็นพระอริยแล้วนะท่านเป็นพระอริยะแปลว่าเละไอ้สารนักของท่านเนี่ยไม่ขาดจะไปเกิดในภพไหนก็ได้แต่ท่านก็ยังเห็นว่าแม้ทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ท่านจะจําจะต้องรีบกำจัดมันั่งนึของเรานี่ยโว อ, อย่างเขาสินเนี่รู้หนาทุกเลยรู้ขุดยังไงก็ไม่หมดนี่นะเรากลับเห็นว่าเออไม่เห็นทุกข์มากเท่าเลยเคยคิดอย่างนั้นยชีวิตมันก็พอเป็นไปนได้ตื่นขึ้ น, นก็มีอาหารกินใช่ไหม แล้วก็มีงานมีการทํามีคนยกย่องนี้อะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนใครเคยมีคิวโอ้โหอ ท, ท, ท, นะ ท, ท, ทุกข์ทุกชาติทุกชาติทุกเมื่อล้วนะทุกเนี่ยโสกกาปริเทวะทุกขโทนะสาวุปายาตเเหมือนไฟไหม้ศีสาพพกของเราอยู่ตลอดเวลาก็ ค, คิดขนาดนี้ไหเช่นไหมเหมือนไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่สุขเลยอะเคยขนาดนั้นไหมมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ทุกไปหมดเลยนะอันนี้กิดทุกไหม น, นี่เหตุให้เกิดทุกเห็นแบบนี้ไหมเห็นอริยสัจสองในคนคนหนึ่งไหมชัดไหม เห็นไหมพอเห็นพบอยู่โอ้โหทุกข์เลยปัญหาทั้งนั้นเลยนั่งนั่งกัอยู่เคยคิดแบบนี้ไหมเคิดว่าเออโรคเรื่อนทั้งนั้นเลยที่นั่งอยู่นี่หนักไหมคิดแบบนี้หนักไปเลยทความรู้สึกหนักโอ้โหคนเป็นโรคทั้งนั้นเลยนะแต่แต่บอกว่าอ้คนเป็นโรกมาเลงนั่งกันอยู่ใช่ไหมเป็นโรกมาเลงแล็วโลกมาเลงก็กาลังกําเริบมันอยู่อย่างขนาดหนักเลยอช่ไหมแล้วเข้าแลเข้าแล้ก็มานั่งคิดว้าเราเราไม่ได้เป็นโลกเราไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งั้นเราคิดแบบนี้ ท, ทั้งที่เป็นนั่นเขาถึงบอกว่าลำดับแรกจริงๆยอมรับจะถือว่าเป็นแล้วใช่ไหมไอ้คือเนี่ยกรแสขันในรูประคันเป็นต้อนแบบนี้เนี่ยเป็นถึงนามาขันก็คือรูปก็คือทุกข์ดีๆนี่มันเป็นก้อนทุกข์มัง ม, มาแล้วแล้วเป็นก้อนทุกข์ที่หนานแน่นมากแล้วเราเราเพาะเมล็ด เ, เมล็ดพืชพันธุ์ของของทุกข์เขาไว้อีกไม่รู้กี่ล้านก้อ แปลว่าเราสําเร็จเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็เพาะเมด็ดไว้เวสร็จเสร็จแล้วเพียงได้เหตุได้ปจัจจัยมันจะโผล่ขึ้นมาเนะี่ยนายาใบยภูมิก็ทําไว้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมในอนาคตเนี่ยไม่น้อยเลยนะีกรรมที่จะลงอบายาภูมิที่ครบกรรมมาหดเรียบร้อยเบ็ดเสร็จและถึงแม้ในปัจจุบันนี้นะเราไม่ได้ทําสมมติเนี่ยนะแต่ไอ้ราคะโทสะมันโมหา ย, ยัางมีอยู่ไอ้ตัวที่จะคอยเปิดประตูให้ให้กรรมเหล่านั้นมันลงวิ่งเข้าหาใบายภูมิเต็มไปหมดเลยใช่ไหม อาเราไม่ได้ทำกรรกมพบกรรมบวชแต่เวลาใกล้จะตายลาโลผ้าเกิดในชาวนะสุดท้ายอ่ะโอ้โหไปเปิดถ้ากุศลกรรมที่เราเคยทํากันไว้จะยิ้มหวานเลยยัวงว่าบอหนีได้แล้วมานเล่นงานลงอบัยภูมิเองนะไอ้วิมานเขาบอกเวลาทําความดีกันไว้เนี่ยยังไปสังเกตไหมว่าพระบางองค์เนี่ยท่านไปเล่นอยู่ในวิมารล้านนู่นเอาเจ้าตัวไปไหนโอ้โหเจ้าตัวไปตกนรกอยู่นู่ น, น, น เคยไม่มาคนมีบ้านเยอะๆไม่ได้อยู่บ้านหรอกอยู่ตามรถบางทีคนคนคนเดยมากยิ่งนักบริหารระดับสูงๆเนี้ยไม่ไหยได้อยู่กันแล้วอยู่อยู่กับบ้านก็อยู่รถพักในรถพักในรถเวลาพอลงจากรถได้ก่อเดินงอขึ้นกุดไอขึ้นกดออฟิตนันออฟวิดนี่ยังไงมคนขับรถกันสตาร์ทรถอยู่ในรถเย็นสบายไม่รู้ ตอนนี้คนใช้ที่อยู่ในบ้านก็ทำอะไรแล้วไหมเขาก็เปิดแอร์ถ้าดูโทรทัศน์ก็ดิ้เท้าดูบ้านมีหลายหลังใช่ไหมคนใช้ก็ใช้สบายเลยรู้ไถ่มีบุญมากกว่าหมันนกคิดนกันทแล้วก็สร้างยังนะสร้างมหาพูดแต่สร้างไมเยอะมาเลยแม่ถ้ากุศลศีลเรามากขนาดนั้นจะตึกบุญได้เยอะเลยเนาะ อริยทรัพย์เยอะๆใช่ไหมทรัพย์ภายนอกเยอะก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอริยทรัพย์มากกว่าทรัพย์ภายนอกค่ะคิดไปที่ไหนก็เป็นที่ตั้งเป็นอา ร, ริยมณะปัจจยเกิกุศลได้หมดเลยนะ <c oughs> ไมื่อไราจะคิดในเรื่องไหนโอ้โหอริยมณเป็นอา ร, ริยมณปจัจจะเกิศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลนะ <c oughs> คิดเมื่อไหร่กุศลศีลก็เดินคิดเมื่อไหร่กุศลศีลก็เดินเพราะว่าโอ้อาริยมณปัจจัยที่จะเป็นปัจจะกาครคิดแล้วได้บุญเยอะใช่ไหมหรือถ้าหาว่าคิด ถึงซับภายนอกได้ก็สามารถจะหมุนเป็นกุศลเป็นเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจได้ในธรรมดาถ้าอย่างพระพธิที่านาค ตอนตอนตอนที่นั่งรถมาเนี่ยยมที่ขับรถก็ฟ้าท่านก็พูดก็บอกว่าท่านก็อาตมาเขาพู ด, พ, ดพูดไปก่อนแล้วก็ฟ้าท่านก็มาสรุปบอกว่าเออคือโยอมที่ขับรถท่านเอะเป็นไม่เข้าใจยังคำว่าไม่เข้าใจเขาก็พูดเป็นประเด็นหนึ่งฟ้าท่านก็สรุปในความเออเนี่ยที่ท่านอาจารย์พูดท่านพูดเองถึงบอกว่าเรงกรณีที่ยมขับรถเนี่ย เวลาขับรถเนี่ยยอมจะขับด้วยความพอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้จะขับด้วยจิตที่เป็นบุญก็ได้จะขับด้วยจิตที่เป็นบาปก็ได้และสิ่งที่ยอมชำนานมากที่สุดก็คือการขับรถด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะคุ้นเคยกับมันมากบางครั้งเนี่ยถ้าเราขับด้วยจิตที่เป็นบุญเราใช้กุศลจิตกันไม่ค่อยคล่องใช่ไหมกังเนื้งง้าๆชอบพนอยไหมแต่ถ้าอกุศลจิตเราใช้จนชำนานเวลาขับได้อกุศลรู้สึกเหมือนมันเลยเกินกว่าขับแล้วเป็นทันโลกทันใจลุเกิน เฉพาะที่เราจะขับด้วยโทรศัพท์นี่โอ้โหขับได้อีกไวและทันเลยถึงเวลาก็ทันเยน้ยเหมือนเมื่อเราจะใช้งานนุ้น้องก็เหมือนเงินจะลองใช้ด้วยโทรศัพท์เหมือนรู้สึกมันคล่องแคล่วใหม่ๆ ม, มิยอมเจอท่านหนึ่งนะเ ม, มืเ่อจะมาใหม่ๆไปนนักบริหารเนี่ยโอ้ยเวลาเข้าบริษัท ต, ต่างๆเนี่ยนะเขาบอกคนงานเนี่ยวิ่งดีฟังมันจะต้องตรงสำหรับผู้จัดการนี่นะมันจะต้องมายืนฟังพขฟังเสร็จแล้วก้มฟังนะ <laughs> ก็เป็นคนเฉียบขาดว่ะมันเฉียบขาดอัลมาเนทโทรศัพท์แรงแบบนี้นคนอื่นดูว้าอนานาจเยอะดูเหมือนยามอำนาจ น, นะเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคนข่าใหม่ถ้าอุปมาเหมือนสรีระยนนี่ก็เหมือนกะนัะโดดอ่ะอย่างเราคือรถเนไงสลีระย น, นทีนี้ที่ค้นเคยที่ส่วนก็คือเราใช้ราคาโทารศัพมือห้องใช่มั้ยใช้อากูตรจิตเนี่ยเป็นตัวข่าเคลื่อนด้วยการที่จะคิดพอคิดแล้วกายกรรมวิจกรรมมนโนกรรมก็จะเดินไปตามกะระแสจิตที่คิด เอาอะไรแต่นี้ดูท่าดูทางอะไรต่งตางๆเลยนีอ่ออกมาทํามาทำแมงมากใช่ไหมหน้าตาขึางขามพูดอะไรเอาจริงกัจังอะไรต่างๆเนี้ยไม่ว่าจะประชมไม่ว่าจะพูดหรือไม่ว่าจะชี้คนทําอะไรยมันก็จะเป็นใบแบบประโทสะทีนี้อยู่ต่อมาพอมาศึกษามาทำคาสอนของพระเจ้าว่าเอ อ, เ, อ, อเนี่ยการที่กรณีที่อกุศลแจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ดีเลยลําดับแรกเช่นถ้าโทสะเกิดขึ้นมามันก็เผาใช่ไหม มันเหมือนกับเอ็ม ไ, อไม่ขีดเวลาไฟมันติดขึ้นมามันเผาที่หวัวน่ขะข้าวในข้าวมันก็ไหม้การไหม้การโดยส่ว น, นก็ไปไหม้บ้านไหม้อะไรเยอะแยะไปหมดที่ส่วนจริงมันไม่ดีเลยทีนี้ต้าหาว่าในเบื้องต้นจริงๆไงก็คือคิดว่าเออในกรณีที่กุศลมันจะเดินได้ด้วยอะไรจนยกตัวอย่างเช่นว่าถ้งเมตตาเนี่ยถ้าโทสามมากเลยเขาต้องเดินเดินทางเมตตาค่อนข้างเยอะใช่ไหมพระเจ้าสอนนะสอนสารานี่ทำหกประกัน เมตตากายกรรมเมตาตาวจีกรรมเมตตามนกรรมเป็นต้นเนี่ยถ้าเมตตากายกรรมก็คือทําอะไรก็ทํำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าคาว่าทํำอะไรเนี่ยในการยืนการเดินการหยิบการยื่นของต่างๆให้การชี้นิ้วอะไรต่างๆหเหล่านี้ยมันใช้กายกรรมเนี่ยเอาการใช้กายกรรมนั้นต้องมานสิกามันโยนิโสมานาสิกามันเกิดขึ้นโดยการปลามรบแบให้เป็นไปกับเมตตามีความเมตตาเราก็กระทําสิ่งนั้นให้เขาใช่ไหมอย่างยกตัวอยา่างทินทาเนี่ย เวลาท่านมีการอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านก็จะยิบของให้กันต่างๆเหล่าเนี้ยท่านอุปถากดูแลในการที่ตั้งน้ําฉันน้าใช้ดูแลพระเถระเป็นต้นอันนี้นะพระเถระก็ดูแลลูกศิษย์ในตอนที่ลูกศิษย์เกิดเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรต่างๆเขจะดูแลซึ่งกันและกันในขณะที่ดูแลด้วยกายกรรมเขก็ทําให้สแก่กันและกั น, น, นก็ทําด้วยเมตตากายกรรมทาให้ด้เมตตาอ้เนี่ย อ๋อถ้าหากว่าเออเกิดสัตว์ที่วิหาริษเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะดูแลอาจารย์ก็จะดูแลโดยการหายาให้นวดให้บีบให้ด้วยนะโในการดูแลให้อาจารย์ดูแลสิทธิทยามอาจารย์เจ็บป่วยขึ้นมาสิทก็ดูแลโดยการทําวัดอันนี้เหมือนกันแต่ในขณะที่ทํานั้นก็เป็นเมตตากายกรรมในขณะเดียวกันก็พูดนะในขณะพูดก็เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากราวเออในขณะที่ป่วยมีอยู่สมัยหนึ่งเขา สาวกของพระธเจ้าป่วยพวกปรมาศดาก็จกะแสดงธรรมหรือส์เหมือนกับอุบาสกท่านหนึ่งที่เป็นละคุณปีตาเขาบอกที่ว่าเป็นเป็นอุบาสกที่พระเมีความคุ้นเคยกับพระทเจ้าเหมือนกับเป็นบิดาที่ไปเฝ้าพาระธเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้ข้าพระองค์ป่วยมากไม่ได้เห็นภาษาสดาด้วยก็ยิ่งป่วยทางใจด้วยเป็นต้นนั่นนี่นะพระเจ้าก็แสดงธรรมนี่แสดงธรรมให้ฟังก็โอ้หน้าตายิ้มแย้มแต่ผ่องใสมหาภาษาทบุตร บอกนี่ทําไมตอนไปหน่อยๆก็ออกมาทำไมถึงเบิกบานโอ้ยไม่เบิกบานอย่างได้อย่างไรเพราะพระบรมศาสดาให้ทำโมสดเตยข้าพระเจ้าแล้วนี่นะในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนั้นก็เรียกว่าเมตตาขยยากถ้าเมตตาวฏีกรรมเวลาพูดอะไรเนี่ยทั้งตอนหน้าและรับหลังนี้ตอนหน้าก็พูดด้เหมือนกันพูดบอกเออเมื่อว่าคําพูดใดๆที่จะเปล่งออกมาต่อเนี้ยมีเมตตาําหน้า มีเมตตาออกก่อนเนะี่ยมีเมตตามีความรักความปราศจาน่ดีความเมื่อตอนแทนไปก่อนแล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะถ้าพูดรับหลังนะท่านผู้นั้นไม่อยู่ก็พูดก็อ้างศีลคุณของท่านอ้างคุณความดีต่างๆเป็นต้นอย่างนี้มากล่าบอย่างนี้ก็เรียกเมตตาวาจีกรรมรับหลังเป็นต้นถ้าเมตตามโนกรรมเห็นพรกุกัคิดเนะียคิดในการขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานเป็นต้นเหล่านี้ เอาอย่างพวกเราเนี่ยเห็นกันในกรณีที่บุคคลที่เจริญในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วก็น้อมเมตตาได้ใช่ไหมอขอให้ท่านเหล่านี้จงเป็นผู้มีกายกรรมวิชีกรรมมนโนกรรมสุจริตนะขอให้มีสุจริตสามเมื่อท่านเหล่านี้ตั้งสุจริตสามเป็นไปในชีวิตประจําวันได้เกิดเกินไปแล้วขอให้เจริญกุศลศีลได้ถูกต้องเมื่อเจริญกุศลศีลได้ถูกต้องแล้วขอให้น้อมในการสํารวมอินทรีย์มีสมาธิตั้งมัน่น และในที่สุดจริงๆนั้นตรงเอามาสมาธินั้นเป็นบาดถึงการเจริญวิปั ส, สนาเข้าถึงพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นปัจจัยเกกับการบรรลุกันทุกคนนะอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยไม่ยากเลยในชะ่ไหมการคิดในลักษณะอย่างนี้การเขาเราียกว่าคิดแบบเมตตามโนกับต่อหน้ารับล้างกัน้อาะเมตตาเป็นไปในลักษณะนี้คิดเป็นไหมคิดยากไหมแบบนะี้ใหม่ๆอย่างเนี้ยมันจะคิดแล้วมันมันมันมันเหมือนท่องอนะมันอยู่ในใจมันไม่มันไม่วิ่งเลยเนะี่ย แต่หนักเข้านี่ยเข้าในที่สุดจริงๆฝึกบ่อยๆไข้พวนบ่อยๆในที่สุดจริงๆความคิดมันแผ่ไปจริงๆเลยีมันน้อมไปจริงๆอ้วมีความหุบนะเออมันจะเป็นไปในลักษณะของเมตตาพี่พอเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมต่อไปสาธานาโภคีในกา ร, รแบ่งปันเนี่ยมันจะแบ่งถูกมันจะแบ่งแบบไม่ไม่นชนิดที่ว่าให้ด้วยเมตตาจริงๆเลยมันจะเริ่มให้เอะเราจะให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุติตามเริ่มชัดขึ้น เออท่านคนนี้เราควรให้ด้วยกรุณาท่านคนนี้เราให้ด้วยปารบในการที่จะมุทิทาบูชาคุณเนี่ยมันจะเริ่มถูกว่าเออท่านคนนี้เรากรุณาเขาเราให้ท่านคนนี้เราให้เพื่อเราบูชาคุณคือศีลคุณจะมาที่คุณปัญญาคุณที่ท่านกําลังเดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยขณะที่ให้เราก็ยังต้องแผ่เมตตาพระท่านด้วยขอให้ท่านได้บรรลุเร็วๆนะจะได้พิพึงในกับพุทศาสนาชนิดชนิดนไหมันคิดในลักษณะเนี เราพยายามเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นต้นเป็นก็ใขรโคในลักษณะเหมือนพระก็คิดเมตตาโยมโยมว่าเมตตาคี่พอคิดได้นี่เป็นพื้นฐานนะอันนี้คิดแบบกรณีในในใ น, ใ น, ในเป็นพื้นฐานแต่ถ้าคิดลงอริยสัจก็คิดติดอย่างนี้ก็คิดอีกอย่างก็กงเหมือนกรณีที่ที่เหมือนบอกว่าเออถามบอกว่าในกระแสขนันในกร ะ, ส ะ, กระแสขันที่เราเห็นเห็นกนแต่แต่ละบุคคล ที่จริงก็บอกว่าเหมือนที่นั่งคุยมาเลี่ยนะที่จริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องชัดก่อนถ้ากรรมสกทาสัมมาทิฏฐิไม่ชัดเนี่ยคือไม่เห็นบุญเนี่ยไม่เห็นบุญบาปแล้วก็ผลของบุญของบาปแล้วไม่เห็นการทาบุญทําบาปในที่ชัดเนี่ยตันทีมันจะการเจริญสมถะกรรมฐ า, านหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไปไกลเดื่องหนึ่ ทีนี้ถ้ามันไม่ตั้งอยู่ที่ถ้าปัจจะญาปริกะหะยางหรือว่าถ้ากรรมมศกดา ส, ส, สมาที่ถี่ไม่ดีเนี่ยแต่เนี่ยในชีวิตจริงนะเราถามว่าเราเห็นคนที่กําลังเดินเราถ้าเรามานาสิ ก, การให้เป็นนะถ้าเรียนเรียนมามีพื้นฐานการศึกษามาดีพสอสมควรเนี่ยเออจิตที่คิดเป็นทั้งบุญทั้งบาปก็ได้ใช่ไหมการัชกลที่มีการเคลื่อนก้าวไปแล้วก็มีการถอยกลับเป็นต้นเนี่ยเป็นกายกรรมเนาะ ทีนี้ ก, รการศึกษที่มีการเคลื่อนไปเป็นต้นได้มีการขยับเขยื่อนเป็นต้นได้มันมาจากมโนทวารวิถีเนี่นยหนูล ม, มเริ่มจะมองอยู่ใช่ไหมมโนทวารวิถีนั้นมันมีกิ่จิต ก, กี่อยู่กี่ดวงที่เป็นปัจจัยผักดันขอการยืเดินนั่งนอนได้โอ๋อสิบยี่สิบดวงยี่สิบดวงก็มีกลุ่มโลภะสักแปดโทสะสองแล้วก็โมหะสองมหาปุสราจิตอแปเราคิดดูแค่แค่ยี่สบดวงตรงนี้ที่เป็นหลักๆเื็น ก, ก, ก, ก, กลุ่มโชวนะจิ ทีนชาวนาจิตที่เป็นอกุศลที่เป็นไปกับโลภะตัวสามโอใช่ไหมคนส่วนมากเนี่ยเวลายืนเดินนั่งนอนคูเหยียดหรือพูจาอะไรต่างๆนี้เขาไม่รู้เลยนะว่าในขณะนั้นจิตของเขาเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลมันเป็นไปกับบาปเป็นไปอกุศลแล้วเขาก็ทํางานกันเนี่ยทั้งๆบางครั้งก็ครบกรรมบดบ้างบางครั้งก็ไม่ครบกรรมบทบ้างจริงอยู่บางครั้งกายกรรมวิจีกรรมไม่ครบเนี่ยแต่มโนกรรมค่อนข้างจะครบตรงนี้เช่นจิตนเนี่ยนะพยาบาทเนี้ย บางทีจิตพยาบาทบ้างหรือเกิดอภิชาบ้างเกิดความเห็นผิดเป็นต้นบ้างในขณะที่เกิดขึ้นเน่ยเพ่งเล็งทรัพสมบัติของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเนี่ยในขณะที่มันเกิดขึ้นทางโมโนกรรมเนี่ยโมหน่ากลัวจะตายที่เรามนุษย์การไม่เป็นเนี่ยบางคนก็บอกอเนี่ยเวลาบาปเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพระนี่นะในขณะที่ท่านเดินบินทบาตเนี่ยเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปอันนั้นปแปลว่าอะไรท่านต้องการขาจัดบาปแบบละเอียดเลยนะ ในขณะที่กาลังคิดคิดไปถ้ากามวิตกพยาบาดวิตกุหญิงสาวิตกเกิดขึ้นในท่านท่านต้องหยุดเลยไหมหยุดเลยถ้าขืนเดินต่อไปเนี่ยแปลว่าพยาบาดวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหญิงสาวิตกที่เกิดขึ้นในใจของท่านจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนอียบดใช่ไหมทำให้การยืนการเดินการการ้าวการเคลื่อนของท่านเน่ยมันยิ่มบาปหลายต่อเลยเดี๋ยวนะี้ท่านหยุดไว้ก่อนท่านกะทกํากติการกัน ถ้าองค์หน้าอยุดเนะี่ยแต่ว่าบาปอาุกุศลเกิดขึ้นในองค์นั้นแล้วใช่ไหมท่านต้องมาดําเนินการในใจเออเรื่องขจับออกไปนะพระที่เดินตามหลังท่านมาเขารู้ท่านหมดแล้วนะว่าตอนนี้บาปเกิดขึ้นหมดเอาท่านยังขจัดไม่ได้ท่านนอนนั่งลงเลยนั่งก็ยังจัดการไม่ได้ท่าน ต, ต้องถามนะต้องถามพระเออท่านช่วยขจัดบาปในใจมันเข้าไปเท่าที่พระนั้นท่านก็จะอกลมาเออเดี๋ยวก็าบาปอาุกุศลนั้นทําเกิด บาปอกุศลธรรมอันร้ามโมเกิดขึ้นในใจกระท่านถ้าท่านจิต็นในขณะนี้ก็คืออบายภูมเป็นที่ไปของท่านนะเนี่ยก็อธิบายให้เห็นโทษโดยประการละไรต่างๆหรือในขณะที่ท่านไปรับอาหารถ้าหากว่าอาหารใส่ตกลงไปในบาต จ, จิตท่านเกิดยินดีเกิดความเพลิดเพลินหรือเกิดความไม่พอใจในอาหารที่ใส่ไปในบาตพวบขึ้นมาเนี่ยถ้าหากท่านเห็นภิกษุ ร, รูปใดลูกหนึ่งมาท่านจะนําอาหารออกจากบาตถวายลูกอื่นดี ถ้าท่านสารภาพเลยว่าอาหารนี้ไม่สมควรหลวงพระพุเจ้าเพราะข้าพุทธเจ้า ร, าราับมาด้วยสิทธิที่เป็นบาปเนี้ยอันนี้แปลว่าตอนนั้นท่านมาเก็บรายละเอียดของบาปนล้วเที่ยที่จะเก็บรายละเอียดของบาปเป็นต้นได้แปลว่าอะไรแปลว่าปฏิโมกสังวรนศีลท่านทํามาดีแล้วใช่ไหมยังถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าสอนญาติโยมเนี่ยเรื่องยังได้ข้อคิดเกี่ยวกับพระที่ท่านเวลาสอนญาติโยมจากเบื้องต้นเนี่ยพระองค์จะสอนเรื่องศีลห้าภูษกรรมบนนี้เป็นเบื้องต้นก่อน พอหลังจากคือใหม่ๆจากไม่รู้เลยว่าอะไรบุญและบาปไม่รู้เลยอะว่าอะไรเป็นบุญะอะไรเป็นบาปเนี่ยพระองค์ก็จะสอนศีลห้าแล้วก็จะสอนกุศลกรรมบทพร็สอนศีลห้าสอนกุศลกรรมบวว่าหนี่ยนี่กายกรรมนี่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนี่เป็นบาปทางกายนะพูดเท็จต่อเสียดทำหยาบแล้วเพื่อเจ้ิเนี่ยบางคนถือแค่ห้ามพูดเท็จอย่างเดียวยวมั้ย แต่รอเ ส, สียไม่รู้อีก็เป็นยังไงคำหยาบยังไงก็ยังไม่รู้เพือเจอยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆก็ผิดเหมือนกันยังไม่ทราบนี่พระเจ้าปรสอ น, สนกอุศลกรรมบทเป็นอย่างนี้อกอุศลกรรมบทเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเริ่มและบางทียมก็บอกโอ้หดหดเหลือเกินศึกษาพระธรรมของพรุทธเจ้าใหม่ๆแล้วศึกษาไปอ่าะไรมันก็ผิดหมดใช่ไหมมันเริ่มหดหดเหมือนจะกระดิกตัวไม่ได้ใหม่ๆอยากคิดกันอย่างนั้นแทบทุกคนเลยนะเีอดูเหมือนจะอหดัดเหลือเกินคําสอนพระเจ้าขยับนั้นก็ผิดขยับนี้ก็ผิด แต่จริงๆมไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความผิดมันก็เป็นความผิดแต่มันชอบใจนะคระเจ้าหลวงประมาทโยมที่นั่งคำเลิกความฉันบอกว่าไอ้ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกแต่ก่นเนี่ยแม่บอกลูกอกว่าเออลูกมือเปียกๆอย่าไปจับปลั๊กไฟนะคอยตีมือเดี๋ยวไฟจะดูดเอาเงี้ยถามว่าต่อมาลูกตอนที่ตอนนั้นลูกไม่รู้วันเป็นบาปแต่พอรู้ขึ้นมาเนี่ย ถาว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยถ้าใครเอามือไปจับเนี่ยไฟมันก็ช็อตใช่ไหมแล้วมันก็ถึงแก่ความตายได้อันนี้เหมือนกันบาปเนี่ยจะคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องมันแล้วมันก็เป็นบาปเมื่อบาปแล้วมันก็ให้ผลเป็นทุกข์คือให้ผลอบายทุกขติวิบาตนรกเนี่ยมันจะเป็นไปในลักับใอย่างเงี้ยต่อมาพระเจ้าเขามาชี้ความจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละไม่ใช่มาบัญญัติให้มันยุ่งยากนะแต่มีพระมหากรุณาที่คุณในการที่จะ ก็ะทำวันนี้ไงเป็นข้อห้ามที่จะป้องกันไม่ให้สาวกสาวิกาของพระ อ, องค์เนี่ยไปเกลื่อนกลลในใัยภูมิพระ อ, องค์ก็มีพระมหากรุณาที่คุณในการบัญญัติศิกขาบทหรือเทศนาท่ามสอนเนี่ยคือพระ อ, องค์ก็เอาความจริงตรงนี้นี่แหละมาบอกก็เหมือนกับไฟนี่แหละถ้าเป็นถูกต้องมาแล้วมันดุย่างไงแล้วมันก็ถึงแก่ความตายนี้มันการบาบาปอากุศลธรรมเนี่ยเวลากระแสขันไหนทํากระแสขันที่สืบเนื่องไปนั่นแหละเขเป็นผู้ได้รับ บาปอากุตเร์ได้ทำมันลามวกหรือผลแห่งบาสนักบอกนั่นนะเมื่อพระองค์บอกขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่รู้เพราะรู้มาเริ่มอิดาจึไม่ใหม่ๆแต่การรู้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเมื่อรู้แล้วก็เริ่มขัดเกาจากจับยาที่พอเก็บารายละเอียดจากหยาบได้แล้วมันก็เริ่มจะคิดที่บอกว่าเออคาราวะามันแคบใช่ไหมเออมันเริ่มแคบแล้วในการจะเจริญกุศลอย่างแต่บาปมันกว้างมาก แต่พอมาเป็นค้าขึ้นมาเนี่ยมันกว้างกับการทำบุญแต่บาปมันจะแคบลงคือบาปมันจะเกิดให้น้อยลงเพราะมีตัวกุศลแล้วศีลมากมายเป็นตัวคุ้มครองใ น, นจุดหนึ่งสมาธิอันประเสริฐก็คุ้มครองอย่างดีปัญญาขันอันประเสริฐก็คุ้มครองอย่างดีฉะนั้นสิกขาสาวนี่นะก็จะคุ้มครองแวดล้อมกระแสขันของท่านบุญนั้นตลอดเวลาก็เคอยป้องกันไม่ให้กระแสขันนั้นฉีดฆ่าในการที่จะต้องไปพประสบอันตรายต่างๆนั้นคือตกกรรมลําบาก นี่เป็นไปในลักษณะนี้จะไม่รู้ต่อบปัญหาตรงประเด็นหรืตรงไหมทีนี้พระพุทธเจ้าเอท่านพออาระอนนท์ก็แสดงว่าอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองในอินทรีย์ในทวารทั้งหลายอย่างไรคือในเบื้องต้นเนี่ยท่านจะสอนตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนศีลขันธ์อันเปเนิดเนี่ยคือสามารถประชุมศีลศีลขันธ์อันเสริฐเข้าสู่กระแสขนนันธ์ก็ถือว่าภุสุรสีเนี่ยปริมาณถ้าศีลห้า ในสี่ห้าก็ต้องมีวัดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ไม่เยอะใช่ไหมวัดต่างๆในที่นั้นก็คือในเรื่องของทิศ ท, ทั้งหกเป็นต้นเหล่านี้วัดในการที่จะต้องดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะเป็นต้นแล้วก็ตัวกุศลราศีที่เป็นประธานที่มีศรัทธานั้นเป็นประธานต่อมาท่านพระนลก็แสดงว่ามหานามาอริยสาวกเชื่อเป็นผู้คุ้มครองด่าวานาินสีทั้งหลายอย่างไร บอกอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจากโซแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยนุยนพ ย, ยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจกักขุนศีที่ไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอภิสรธรรมอลามโมคือพิชชาและโทมานัตเนี่ยครอบงําได้อย่างนั้นชื่อว่ารักษาจากักขุนศีถึงความสํารวมในจกักขุนศีโสตินทรียกาณินทรียชิวหินทรียกายยินรียตลอด ถ, ถึงมัณณินศีก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ ก็บอกว่ารู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะที่จริงทางด้านจิตใจเนี่ยนะเขาเรียกว่ารู้แจ้งธรรมารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่เกิดทางใจเขาว่าผวังแล้วก็มโนโใช่ไหย ม, มโนโแล้วก็ธรรมารมณ์มโนโในที่นั้นเป็นชื่อของพวงมเป็นชื่อของผวังมโนนี่เลยผวางผวังก็จะอะไรนะเป็นชื่อของมโนรธรรมารมณ์ก็คือกลุ่มของเจตสิกทั้งหลาย ตัวธรรมารมทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มโนวิญญาณเนี่ยนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสํารวมในที่นี้ก็เป็นการที่ขึ้นสู่ชวนะแล้วเขาบอกว่าตัวมโนทวารวัชนะเนี่ยถ้าเป็นตัวอาวัชนะถ้าเป็นตัวอะวัชนะถ้าเป็นโยนิโสมรสิการดีใช่ไหมจะเป็นปัจจัยเกิดกุศลถ้าเป็นอยโยนิโสงมรรสิการก็ไม่ดีก็จะเป็นปัจจัยเกิดบาปอกุศลและท ร, รมันลามบกเบีย้ยพิชาและโทมนานัปเป็นต้น อย่าลืมนะ ว, ว, ว่ามโนทวารวัชนะเนี่ยเขามีปัจจัยก็คือพระวังผู้ประเชษฐาไอ้ตัวพระวังผู้ประเชษฐานี่ยเขาเป็นอนันตระสมานันตระอนันตโลภนิสยาณถิวิคตาก็ได้ห้าปัจจัยในห้าปัจจัยนั้นเนี่ยถ้าดูตัวอย่างกปัจจัยหนึ่งก็เรียกว่าอนันตโลภนิสยาณเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเะฉะนั้นอัตยาไสยของคนคิดผิดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะพึ่งมาคิดผิดในขณะที่เห็นในขณะนั้น อัธยาศัยนั้นสั่งสมมาอย่างยาวนานมากเขาเรียกว่าเป็นปกปนปจจุบนิสยาปจัยมาอย่างนาแ น, นั่นในที่สุดจริงๆอ่ะแม้จะเป็นอนันตารูปนิสยาปจจัยเปลี่ยนมาเป็นอีกชาติหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยแก่มโนทวารเราชนะก็ยังเป็นปัจจัยแก่การทําให้มโนทวารเราชนะนั้นคิดผิดได้ที่รุนแรงขนาด น, นั้นเนี่ยใช่ไหมความคิดผิดในอดีตชาติทั้งหลายร้อยหลายแสนชาตินั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยแก่การคิดผิดในปัจจุบันชาติได้ มันรุนแรงขนาดนั้นในความคิดผิดคิดผิดถึงขนาดว่าเห็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเป็นสองพัน ป, ปีมาเนี่ยคิดผิดขนาดนั้นนะแล้วก็เดินออกน อ, อกทางตลอดที่เขาบอกเหมือนกับม้ากระจกไอ้มโนวิญญาณเนี่ยจิตเใี่ไนะเหมือนม้ากระจกฝึกยากฝึกยากใช่ไหมขนาดว่าใช้ประตับฟันหรือว่าใช้ประจับเออประตับมีสับจนถึงกระดูกนะเลือดไหลมันก็จะคิดโกงมันตลอดมาโกง มันจะวิ่งออกนอกทางตลอดเลยอาญาหมักไม่เดินมันจะเดินไปมิจฉาหมักญาหมักไม่เดินอยู่มงมันจะตั้งที่มิจฉาทิถีไม่ตั้งแล้วมาทิถีไว้ในกระแสขันอย่าตั้งมิจฉาทิถีเลยถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นไปกับบาปเอาเสือทางมาฟังให้ชื่นใจนะให้สังเกตนะเป็นใหม่ที่เราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยอุ้ยพวกฟังเรื่องบาปเรื่องอะไรต่างๆให้เขาฟังให้เขาเล่าเรื่องสามโคกให้ฟังไม่ถึงเต้นเลยไหมก่อนพวกฟังอุ้ึงเต้นจริง เหมือนฟังแล้วมัสนุกดีเหอนตอนเป็นเด็กๆสมัยก่อนก็ให้เอามาเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนพุฒวมาเรียนแล้วสนุกสนุกไม่พอนั้นทีไปอ่านอ่านอ่านแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟองเพื่อนก็นมานั่งร้องบอมันเป็นกลุ่มแต่ทำไมคนชอบเล่าสามพวก <c oughs> เราตอนโฉดๆแต่ทับเรื่องเหมนเล่าหลัตาเห็นในปัจจุบันยังอยากจะเอาเล่าอีกเขาบอกอย่างเงี้ยอย่างเง้ยนะจิตมันน้อมไปขนาดนี้นิจชาที่ถิเี่ยมันน้องผิดตลอดเนี่ยเวลาเล่าได้เห็นเป็นภาพเลย นี่ก็มนันเลิกโอ้วัดูแล้วเป็นนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้านึกพระพุทธเจ้าไม่เดอะโอ้นี่น่าสลดใจมากใช่ไหมขนาดไปสถานที่ที่พระเจ้าประทับเนะี่ยบอกว่านี่นะที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับนะเอี่ยไปนั่ง ม, มันเฉเฉยก็มีบางเที่อะทําทำไมเป็นขนาดนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยก็มานัางคคน่งไข้โควนโอ้ต้องดึงกุศลและมาอย่างมากมายแล้ว ต้องดึงกุศลลจิตยังมากมายต้องใช่ควรต้องพิจารณากว่าจะได้ปลาโมดีตีปัสสทีนะโอ้โหต้องใช้ความเชียวกันขางมากเลยสมมตนก็คือประพฤติทําด้วยน้ําตาหนองหน้านะบางขนาดนี้นะต้องเล่นกันขนาดนั้นมันไม่มาข้ามอากมากระจอกออกมาโกงเป็นแบบนี้แ่ละมันจะวิ่งออกนอกทางเลยฝ่ายเดียวที่ไม่ว่าถ้าหาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตอนนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าท่านนี้เป็นพระพุทธเจ้าแต่คิดแบบนี้ เหมือนพระเจ้าบอกว่าดูกันว่ากะลีเธอไม่ได้เห็นตถาคตเส็จแล้วก็มองดูพระรูปของพระเจ้าอยู่นี่ว่าเธอไม่ได้เห็นตถาคตเส็จแล้วไม่เห็นอริยคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วคเห็นไหมเห็นเพียงรูปกายจะมีประโยชน์อะไรคือจริงๆรูปกายเนี่ยมองแล้วสื่อก็หาธรรมกายของพระเจ้าไม่ได้ว่างินเธอมองสื่อก็หาโลภุตาธรรมของพระเจ้าไม่ได้มองหาสินขันนันประเสริดสมาธิขันนันประเสริดปัญญาขันอันประเสริด ของพระผู้มีพระภาคแม่เจ้าั้นเวลาเราไปเห็นสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยต้นพระศีมหาโพเนี่ยเป็นมิตเครื่องหมายอยาการตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินวนเนี่ยนะบางครั้งเราเห็นก็เฉยๆเนี่ยบง่งบอกอะไรแทนที่จะทําอัญเชิญกรรมยังไหมแทนที่จะลุก ร, รับแทนที่จะทําอกพี่ว่าทําสามีจิตกรรมกับพระพู้ไเจ้ากับไม่ทำํำ เ, เห็นบางคนนีเฉยๆบางคนยิ่งมองผ่าน บางคนไม่ธรรมดาเนี่ยถามอุกศึกษามว่าใครพ่ดกจบเนี่ยแต่เห็นสัญลักษณ์ของพระรยาก็เดินผ่านเฉยๆนะน่าชิดกันนะน่าชิดเลยโอ้อเห็นไหมว่านี่เธอไม่ได้เห็นแต่ถาพอดเสร็แล้วไม่ได้เห็นแต่แล้วเนี่ยอเขาทํากรรมคนที่ขนาดเขาเป็นพระรยาเขายังไม่กล้าทําอย่างเราเลยเขาเห็น ท, ำทํำยิงกว่าเราเห็นไหมนั้ายังไม่เคยกล้าเลยแม้แต่จะใส่รอ ง, งเท้าเข้าสู่ลานพระเจดีย์ยังไม่กล้าเลย ถ้่เรามาพิจรารณาดูโอ้ยศรัทธาของเราที่ตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้ากน็น้อยนิดมากแล้วตั้งอยู่บนปลายเข็มหลุดตลอดเวลาแลยนะตั้งอยู่ปลายเข็มเี่ยเหมือ น, นเมล็ดผักกาดตั้งอยู่บนปลายเข็มตั้งยากไหมตั้งก็ยากแ ล, กล้วกกตกร่วมก็ง่ายในตรงนี้นะฉะนั้นเราก็เพียรพยายามในการที่จะตั้ง บ, บ่อยๆตั้ง บ, บ่อยๆในที่สุดจริงๆมันี่ต้องได้ก็เราก็เพียรไปในรักษาหนี้การที่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่เป็นความลําบากมาเย็นทุกวัน นีโ ождения, ่โบษของการไม่เห็นไอ้การไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นรูปกายไหมเป็นอบัยศัตร์ก็สามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้แต่ท่านไม่ได้มุ่งถึงการเห็นด้วยตาเนื้อท่านท่านต้องการมุ่งเห็นด้วยยานก็คือปัญญาไม่เห้การเห็นด้วยตาเนื้อจะประเสริฐอะไรัจะประเสริฐอะไรเลยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่กับภ้ารืย่าไม่รู้จักภ้ารือย่าท่านไม่ได้มุ่งประเด็นการเห็นด้วยตาเนื้อเลย การเห็นด้วยตาเนี้อจะมีประโยชน์อะไรกับรู ป, ปกายของพระพุทธเจ้าที่มันผูกทางเหมืนเกวียนเก่าที่ค่ำค้าแล้วคือว่าไงในที่พุทธเจ้าตรัสบอกเหตุภาพมันจะมาอะไรเอาวอนอะไรก็รู ป, ปกายที่มันมีสารานี่มันคือพุทธญาณตรัสแบงนี้เลยยังไแต่บอกอีกในย่านหนึ่งบอกว่าเออในพระธาตุของพระพุธทธเจ้าทั้งทั้งก็เป็นมหาพูดเป็นรูปขันธ์นี่แหละให้เธอไปแรไปดูนะี่ยคือไปเพ่งไปดูให้รู้ให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไปเพ่งเพื่อดูคุณของพระพุทธเจ้าให้ชัดนนะ แล้วใครรู้ว่าเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่กับพวกเราพวกเราได้อีกสองพันกว่าปีนะได้อีกสองพันกว่าปีก็จะอันตรธ า, านแล้วก็จะสลายศูนย์ก็จะหายไปแล้วโลกก็จะมืดมิดเขาบอกว่าในวันที่พระธาตุอันตรธ า, านเนี่ยในวันนั้นเนี่ยปกติในในวันที่พระพุทธเจ้าปฏิบพานเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยโอ้ยหรางมเงนร้องไห้ไม่ธรรมดาเนะ เว้นพระนาคาเว้นพระราหารันนะนอกนั้นพระสกอาธาพระโสดาบันบุตรชนไม่ต้องพูดถึงอย่าคนท้าขาดเนี่ยนะก็โศกกันค่อนข้างมากเขาบอกวันที่วันที่พระธาตุอันตรธานเนี่ยความโศกจะยิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวเพราะเป็นความโศกชนี้ที่พระธรรมหายเกลี้ยงเลยใช่ไหมโลกก็จะพื้นมิดเลยต่อไปเนี่ยคําสอนของพระเจ้าจะไม่อยู่ในโลกมนุษย์เลยหายนั้นเทวดาก็สลด เรียก่เทวดาทั้งหลายที่มาเฝ้าพระเจ้าในวันนั้น น, นนะก็จะเกิดความสังเวชสลดใจอย่างมากแล้วก็อย่างว่านะผุ้ดชนทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงก็ร้องไห้เนี่ยนี่ก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นฉะนั้นอริยาสาวกทั้งหลายที่บอกว่าทางด้านของมนณีศีเนี่ยนะมะนนณีศีก็คือมโนทวาแล้วชนะแล้วก็ชาวนะเป็นต้นเนี่ย โดยเฉพาะมนษตะวันรัตชนะที่มันวิปลิตมนัสิการในการที่จะคิดผิดเป็นอายโยนิโสมนัสิการเนี่ยถ้าอายโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอภิชาและโทมาัะก็เกิดขึ้นพออภิชาโทมานะเกิดขึ้นเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมนทุจริตนึงก็เดินละเพรากายทุจริตวจีทุจริตมนุทุจริตเดินจะเนื้อากายกรรมวจีกจรรมมนกรรมที่มันจะเป็นไปอย่างการก้าวล่วงกรรมบทมันก็เกิดขึ้นที่มื่อก็เป็นปัจจัยแก่นิวรณิวรณ ก็เป็นปัจจัยเหตการณ์การทำทุจริตกรรมทั้งหลายเนี่ยอภิชามันเกิดจนเต็มนี้ยอภิชาก็ดีพยาบาทก็ดีโมหะอวิชาเกิดจนไหมสังขารมันก็เกิดนะสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนำรูปสรารายตนะผัสสเวีทนาเนี่ยปฏิจจะที่สายของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายสายของมิจฉาปฏิปทามันเดินเลยเต็มเดินแลมันมาจากมโนทวารวิชนะที่มันวิ ป, ปริตเกิดจากอาโยนิโสมนสิการอัธยาศัยที่สั่งสมมาผิดๆนี่แหละ อนันตรูปนิสยปัจัยเป็นต้นนี่นะอนันตระปจัยสมอนันตระปจัยอนันตโูปนิสยาปจจัยนัธถีปัจจัยแล้วสัมวิสขตะปัจัยเนี่ยตัวปัจัยเหล่านี้มันมีกำลังใช่ไหมพอมันวิพผลิตปุ๊บมันมีกำลังในการที่จะเป็นปัจจัยในการคิดผิดแล้วความคิดผิดนี่มันรุนแรงมากนะพอชาวนานี้ผิดมันขึ้นชวนะใหม่ก็ผิดเนี่ยมันก็คิดผิดในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมว่า การคิดผิดนั้นหนึ่งปัใจจัยในอดีตสองก็ปัใจจัยในปัจจุบันโดยเฉพาะปัใจจัยในอดีตค่อนข้างมากเนี่ยทั้งๆที่มาอยู่กับพระธรรมเชื่อมันก็คิดผิดในพระธรรมอย่าแปลกนะเวลาเราอ่านพระไตรปิโดกอันนี้ไม่ชอบใจรู้สึกเราปฏิบัติไม่ได้มันไปคิดเอาอีทางเข้าใจยังเข้าใจโยนิโสมนัสการแบบนี้ที่มันสั่งสมมาผิดมากมายแล้วในศาสนาแล้วว่าถ้าเราเห็นคนกล่าวคําสอนผิดหรืออาตมา ก, กล่าวผิดเนี่ย ถือว่าเนี่ยความปกความเป็นปกติของท่านคนนี้เกิดอีกแล้วเพราะอัตยาสัยผิดเป็นมานานแล้วยมก็สังเวชสลดใจก็รีบสั่งสมอัจฉริยะสายดึงเข้ามาที่ที่ให้มากก็คือหนึ่งกรณีก็คือว่าหนึ่งอย่าวางจิตกันนะอย่าเศร้าโศก อย่าเศร้าโศกกระสิบที่ได้ยินอย่าโทมานะเมื่อไม่โทรมานะั้นก็ให้มันสืมนาศิ ก, ศ ก, การหรือพระพุทธเจ้าแนละวทำปีติีควาโมให้เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าก่อนว่าเที่ยวพระพุทธเจ้าตรัสมหาประเทศสี่มาเนะี่ยเป็นบุญเหคือที่เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าจะได้เทียบเทียงถ้าไม่มีหลักการในการเทียบเทียงเราผู้อื่นก็จะต้องเป็นผู้หลวงผิดผู้เป็นบุญน่าหน า, หนาแล้วที่เราสามารถวิธีใช้มีคําสอนของพระุทธเจ้าเป็นหลักการในการที่ชะนั้น แล้วทำให้เราจิตเราไม่เฟ้นออกจากนอกก็ทำคำสอนของพระเจ้านี่มีประการที่หนึ่งประการต่อมาก็นี้พอที่จะบอกการได้ก็หาอุบายเราบอกไม่ได้คนอื่นบอกได้ก็ช่วยกันก็เป็นไปได้